นี้ครับอีกครั้ ห, หนึ่งนะก็เทศบาลที่จะไปเอ่อโงพระนะก่อนที่จะไปโรงงานหลังจากวันนะี้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าคงจะมีหลายๆคนที่เปลี่ยนความคิดนะเหมือนกับผมเหมือนกันนะผมที่สะละหาไปเยอะนะครับเกี่ยวกับสายทางของพุทธธรรมไปทั้งที่ถูกแล้วไปทั้งที่เป็นเทีย ว่าทักษะลองพิจารณาดูนะครับว่าไอ้สิ่งที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยมันใช่ไหมนะเราที่พระอาจารย์จะมาบอกเราเนี่ยใช่หรือเปล่าก่นะอนที่จะมีการฟังธรรมนะครับข อ, ของพระพุทธเจ้าโดยตรงเลยวันนี้นะครับก็อยากจะแนะนําประวัติทนะ่านพระอาจารย์หน่อยนะครับมีรูปพระอาจารย์มานเป็นเด็ก อาจารย์เกิดเมื่อวันที่18มกราคมครับอ106ครับที่โรงราบลาลยูร่าการศึกษาตอนประถมนะครับก็อยู่ที่โรงเรียนสาธิตเกษตรนะรุ่นที่5นะ้า น, นี้เป็นครอบครัวทั้งครับมีที่ต่างที่น่ารักนะ ท่านเป็นนัก เ, เ ร, รียนเรียนทหารครับรุ่นที่2ี่สสองนะลงเรียนในร้อยนะจบสาขาขึ้นต้นนะครับรุ่นที่สามสามแล้วก็ท่านสอบชิงคุณไปเรียนต่อที่ปอดเป็นเรียนไทยริษัทที่อ s a เอนะครับท่านจบปริญญาโทรัฐศาสตร์อยู่กลางตอนมหาวิทยาลัยนะครับจบเริ่มต้นในทางธรรมนะปริญญาโสอบาทาร้อยยี่สิสองครับ ขณะที่ท่านเรียนอยู่ที่โรงเรียนเรียนทหาชิิทหนึ่งนะครับระหว่างปีเทอมนะ่ะโยมให่ได้พาไปบวชกับหลวงพ่อชานะครับที่วัดหนองปากโขงนะเป็นเวลาหนึ่งเดือนพรัะฉะ้นั้นนะครับเป็นครั้งแรกที่ท่ญญาทนพระอาจารย์ชิได้เข้าสูแ่แดนสักภูนะครับมีความประทา น, นะแล้วก็ต่อืต่อเรื่องเลยจนกระทั่งชั้นปีที่4ี่นะของโรงเรียนในร้อยนะครับคั้งนั้นเนี่ย ท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้นะว่าจาก20ปีเนี่ยขอให้กลับไปบวชอีกนะดูที่ท่านเขียนไว้ในตำหนักตำหนักขอ ง, ออของอนักสืบุนเนี่ยครับสิ่งที่ประทับใจข้าหอกว่าไม่มีเลยในโลกนี้นะฮะแต่ในอนาค์เนี่ยถ้าได้บวชในประวันพระพุทธศาสนาเนี่ยคิดว่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะสิ่งที่ป่าจะเพื่อนไปคืออะไร อยากให้เพื่อนเพื่อทุกคนมีสินมีฝาดอย่างร้อยสินห้าก็พอมีแต่ศินนะและใช้เาสิบปีนะครับจนเพื่ครบสิบปีเหมือนกับที่ท่านได้ตั้งบิณฑบาฐานไว้เนี่ยครั บ, รบรก็มาลงจักเวลาที่หลว่อชาท่านมรณ์ห้าปนะในการนั้นเองท่านได้เห็นปฏิธรรมของชีวิตครับก็ได้ออกบวั ในอีกครั้งหนึ่งะที่สำนักสองบุญยวัาเจังหวัดชมบรีนะปัจจุบันท่านเป็ น, นเจ้าวัดวัดนาปา์นะที่อยู่ที่คลองศิษย์ลำลูกกากุทยอันนี้ท่านมีผล ง, งานในการเผยแพร่พุทธศาสนาบ้านใหม่นะมากตรงนี้อีกนะครับนี้พูดไปจ่จบแน่นอนนะวันนี้ก็ได้เวลาครับเลินมีแล้ว ครับทุกอย่างพร้อมแล้วก็ผมขอองวาญาตินะโป ร, รนนนนกจัดร่างงานบนพระเพื่อิด้ผลิตผลนะครับกับทางเพื่เมตตาให้แสดงธรรมกับท่านทัการหลักสู่เในด้านการทหารทุกที่ทุกสารจะเรียนต อ, อนนี้อย่างทุกคนนะบังสุปัสสิกาทุกท่านอ่อ <c oughs> วันนี้ได้มีโอกาสมาให้ธรรมากับพวกเราที่นี่อีกครั้งหนึ่ง าบางคนอาจจะรู้จักคำสอนของรัศาดาแล้วนะบางคนก็อาจจะยังไม่ทราบนะ <c oughs> สิ่งที่นัตมาจะนำมาถ่ายทอดให้กับพวกเรา เ, าเรียกว่าพุทธวจ น, นะคือคำที่ออกจากปากของรัศาดาโดยตรงนะเหตุที่ต้องเอา พุทธวจนะมาเพราะอะไรเพราะว่าชาวพุทธเป็นส่วนมากยังเข้าใจผิดในความเป็นพุทธในสิ่งที่ตนยึดถือหรือว่าประพฤติปฏิบัติอยู่เ mm hmm. ช่นว่าถ้าถ้าพวกเราเข้าถึงความเป็นพุทธหรือเข้าถึงคาสอนของรัฐธารมนจริงๆแล้วการบนบานสารเล่าจะไม่มีในประเทศไทย เรื่องของรูปปั้นรูปหล่อจะไม่มีในประเทศไทยเพราะว่ า, รฐฐาพระตถาคตบอกว่ากรรมหรือสุขทุกข์ไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลต่ลงแล้ใครจะบันดาลอะไรให้ใครให้ได้นอกเสียจากว่ากรรมทางกายวาจาจิตของเราแต่เป็นเพราะว่าเราเข้าไปถือมิจฉาทิฏฐิในแบบที่หนึ่งในสี่ฟังเห็นผิดอย่างที่หนึ่ง คิดว่ากรรมหรือสุขทุกเกิดจากผู้อื่นบันดาลการบนบานสันกล่าวที่มีขึ้นนะเพราะฉะนั้นคนก็เลยไม่มาฝึกทําความดีทางกายวาจาใจแต่บอกว่าเดี๋ยวไปบนก็เรียบร้อยละเอาหูหูไปสักสิบหัวนะหรือเอาละครไปนะหรือไปดูดวงไปสะดอเคราะนะและเวลาเราจะแก้กรรมเราก็แก้กรรมกันผิดด้วยเราก็ไปสะดอเคราะดูเลิกดูยาว บางสกุลเป็นบางสกุลตายไปลดน้ำมนต์ถามว่าสิ่งเหล่านั้นแก้ได้ไหมระตฐาคตซึ่งเป็นบรมศาสตรดาของเราบอกว่าแก้ไม่ได้กลมกลงและชาวพุทธเดินไปคนละทางกับที่ระตฐาคตได้บอกสอนเอาไว้นี่คือปัญหานะ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็เลยต้องมาถ่ายทอดคำสอนที่ถูกต้องเพื่อเราจะได้ไม่เข้าใจผิด และถ้าเราอยากจะแก้กรรมจะได้แก้ได้ถูกต้องนะเราอยากจะอุทิศบุญกุศลก็จะได้อุทิศได้ถูกต้องไปนั่งปวดน้ำถามว่าแก้วกับน้ำมันช่วยอะไรให้บุญกุศลถึงญาติผู้ล่วงลับไม่เกี่ยวเลยนะการอุทิศบุญกุศลการแผ่เมตตานั้นพระตถาคตบอกว่าต้องทำจิตให้ปราศจากมีบ่อนหาหรืออกุณลนทั้งหลาย แล้วถึงทําจิตประกอบไปด้วยเมตตาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งสองสามสี่แผ่ไปตลอดโลกทั้งปวงทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวานะปรากฏว่าเราไปวิ่งนั่งเตรียมน้ําเตรียมแก้วไปนั่งขวดน้านะสรุปแล้วการอุทิศบุญส่วนของเราไม่สําเร็จประโยชนนะ์นี่คือสิ่งที่ชาวพุทธทำกันมาผิดๆตลอดเพราะว่าไม่ศึกษาพุทธวจนะคือคําที่ออกจากปากของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยตรงนั่นเองนะ <c oughs> ย่อมไปเห็นภาพพระพุทธเจ้ า, าใช่ไห ม, าไมภหาพพระพุทธเจ้ามีผมหรือไม่มีผมเราเห็นมีผมเันทุกคนใช่ไหมแล้วตกลงแล้วพระุทธเจ้าเนี่ยไว้ผมรูปเดียวแล้วสั่งภิกษุทั้งหลายคนผมหมดเลยนะตกลงแล้วพระุทธเจ้ามีผมหรือไม่มีนะแล้วเราจะสืบค้นกันยังไงนะนั้นถ้าเราไปดูในข้อมูลที่เก่าที่สุดในโลก ในบริกทต่างๆที่เกี่ยวกับระตถาคพจน์สมณะราลามเหล่าอื่นหรือพวกปริพาชคทั้งหลายเขาจะเรียกผู้เจ้าว่าสมณะหัวโลนนะหรือว่าคนโลนเช่นพารัทธวาชะคนนี้เจอผู้เจ้าเดินมาแต่ไกลเรียกผู้เจ้าว่าหยุดอยู่ที่นั่นแหละคนโลนหยุดอยู่ที่นั่นแหละสมณะหยุดอยู่ที่นั่นแหละคนถอย ต่างคนต่างเป็นศาสดานะแต่ก่อนเขาประกาศตนเป็นศาสดาทั้งหมด mm. เขาก็เรียกผู้เจ้าคนถอย mm. ผู้เจ้าก็เลยถามว่า mm. แล้วเธอรู้ไหมคุณจะทำอะไรที่ทําให้คนเป็นคนถอยเขาไม่ทราบผู้เจ้าก็เลยอธิบายให้ <c oughs> นั้นในบทบทต่างๆท <c oughs> ําทให้เราทราบว่าพรตัตตาคนคนผมด้วยนะ <c oughs> ไม่มีผมเหมือนกันนะ จึงถูกเลือกจากสรรนานภาพามเราอื่นว่าสรรมณะหัวลลนหรือว่าคนลลนนะทน่านี้ข้อมูลต่างๆที่ให้พวกเราดูนี้ถามว่ามาจากไหนมันคือบาลีสยามรัตนะ์ตัวบาลีสยามรัตน์ <c oughs> ตัวนี้นีนะ่ถามว่าใครเป็นคนทำ ร, รัชนะการที่ห้า นิมนพระสองร้อยกว่าลูกทั่วประเทศนะทีะ่นิมนพร ะ, 100 ร, ะร้อยกว่าลูกทั่วประเทศที่วัดพระแก้วช่วยกันทาใช้เวลาห้าปีตั้งตั้งแต่สองสี่สามหนึ่งถึงสองสี่สามหกนะเปลี่ยนจากอาล拉หอมมาเป็นอา卡าสยามแล้วทยอยมาเป็นพระตบิดกที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ในทุกวัด คือถ้าเป็นของหมาโมกุฎก็จะเป็นเก้าสิบเอ็ดเล่มตัวนี้และถ้าเป็นของมหาจุฬาจะเป็นส5่สิบห้าเล่มตัวนี้เพราะฉะนั้นสองเล่ม น, นี้เอามาจากเล่ม น, นี้คือตัวบาลีสยามละไล่ที่มาที่ไปก่อนนะวะ่าพุทธศาสนาที่เราเรียนกันอยู่ที่เรารู้กันอยู่ทุกวันนี้มันมาจากไหนนะหลักฐานตรงไหนที่เชื่อถือได้ที่สุดและสืบทอดกันมาตลอดนะแล้วรอห้า คือบาลีสานัดเอามาจากไหนนะรัชการที่ห้าเอามาจากรัชการที่หนึ่งซึ่งนิมนต์พระสองร้อยกว่าลูกทั่วประเทศมาประชุมกันที่วัดพระศรีสันเพชคือวัดมห า, าธาตุยุราลังศสลิปปัจจุบัน <c oughs> แล้วจารงในใบลานด้วยอักษรของอย่างที่เห็นในนี้นะรัชการที่หนึ่งใช้เวลา พระสองรอยกว่ารุ่นนั้นใช้วเวลาทำหกเดือนร่องหนึ่งไปถวายอาหารตอนเช้าไปถวายน้ําปะนะตอนเย็นทุกวันตลอดเวลาหกเดือนงานนี้จึงเสร็จนะไม่เคยมีอาหารเพลิเลยนะร่องหนึ่งไม่เคยไปถวายอาหารเพลิไม่หลุดไปถวายสักวันแสดงว่าพระในครั้งราชการที่หนึ่งยังฉันมือเดียวอยู่นั้นการฉันสองมือไม่รู้ว่าถูกเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ไม่ใช่ในครั้พุทธกาลแน่นอนในครั้งพุทธกาลพระภิกษุก็ ฉันมื้อเดียวเหมือนกันก่อนปฏิบัติเรื่อง ก, การฉันมื้อเดียวพิสูจฉันสามื้อบินตบบาทสามเวลาบินตบบาทเมื่อไรก็ได้ตีหนึ่งตีสองเที่ยงคืนบินได้ทั้งนั้นพระอุทัยยีเป็นคนบรรยายให้พระตถาคตฟังว่าเมื่อพระตถาคตสั่งประชุมสงฆ์แล้วสั่งงดมื้อกลางวันพระอุทัยยีไม่พอใจเป็นอย่างมากแต่ด้วยความรักความเคารพในพระตถาฐฐคตก็ไม่ฉันก็ไม่ฉันนะ ต่อมาสั่งประชุมสงฆ์อีกสั่งงดมือเย็นนะเหลือเช้ามื้อเดียวนะพระอช า, ายญีก็ไม่พอใจผู้เจ้าอีกแต่ด้วยความรักเคารพในพระผู้เจ้าไม่ฉันก็ไม่ฉันนะนั้นพระในครั้งนี้การฉันมื้อเดียวในสินที่บัญญัติก่อนปฏิโม่ก็ระบุไว้ว่าภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้ฉันอาหารเพียงวันละหนึ่งผลแม้นี้ก็เป็นสินของเธอประการหนึ่งนั้นพระฉันมื้อที่สองไม่ได้จะถูกประปรบปร่าชิตี ซึ่งระบุไว้ในปฏิโมทซึ่งภิกษุต้องสวดทุกกล่มเดือนนะที่ตรัสว่าอันหนึ่งพิสุใดฉันเสร็จห้ามเสร็จแล้วเคี้ยก็ดีฉันก็ดีซึ่งของเคี้ยก็ดีของฉันก็ดีอันมิเชเด่นเป็นปานจิตตินะเห็นไหมว่าสิ่งที่เรากระทํากันอยู่ณวันนี้มันไม่ตรงกับศาสดาเราบัญญัตินะเพราะนั้นเราจึงต้องกลับมาศึกษาพุทธวจนะนะ นั่นนี่คือที่ปรบับบัติปลาที่ฉันเกินหนึ่งมือนะถูกปรบับบัติปราจิตตีรับร่รับเงินทองก็ถูกปรบับบัติปราจิตตีเหมือนกันด้วยนะบอกอันหนึ่งพิสูตใดรับก็ดีให้รับก็ดีซึ่งทองเงินหรือยินดีทองเงินอันเขาเก็บไว้ให้ก็ดีเป็นมิสสกิยัปราจิตตีถ้าพิสูุรรับเงินทองต้องอบัตปราจิตตีเงินทองเป็นมิสขีต้องสลัดทิ้งท่างการสม เพราะฉะนั้นถ้าเราทําตามหมู่มากไปเรื่อยๆโดยไม่ไปตรวจสอบหลักฐานที่เก่าที่สุดในโลกถูกต้องที่สุดศา ส, สนาพุทบจะค่อยๆเสื่อมหายไปทีละเล็กทีละน้อยมันจะผิดเพี้ยนไปเรื่อยๆนะซึ่งพระเจ้ฐฐ า, าตาโพ์เนี่ยได้กลัาไว้แล้วว่าในการยืดยาวนานฝ่อนาคตจะมีภิกษุเนี่ยไม่สนใจทาตถาคตเห็นไหมนั้ น, น, นถ้าพวกเราเป็นภิกษุในครั้งบูชาการผู้เจ้ามาบอกอย่างนี้คงจะงงวะ เป็นไปได้ยังไงก็มาบวชในธรรมวินัยไม่สนใจคำพูชาได้ยังไงแต่ณวันนี้ก็เป็นไปแล้วนะเพราะฉะนั้นอาตมา ถ, ถึงบอกว่าเราต้องกลับมาศึกษาตัวนี้นะพุทธวจนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นในหลักฐานที่เก่าที่สุดในโลกเนี่ยมันก็ยังจะมีอยู่สองส่วนนะส่วนหนึ่งเป็นคำพระศาสดาทั้งหมดและส่วนหนึ่งเป็นคําที่ถูกแต่งขึ้นนะเพราะฉะนั้น อย่าเพิ่งไปอ้างพระแต่ปิฎกต้องอ้างพุทธวจนะที่อยู่ในพระไตรปิฎกนะเพราะว่าคําพระเจ้าทั้งหมดอยู่ในพระไตรปิฎกแต่พระไตรปิฎกไม่ได้มีคําพระเจ้าทั้งหมดเพียงอย่างเดียวมีคําที่แต่งเติมขึ้นด้วยซึ่งถูกเรียกว่าอัตตากถาหรือจริงๆพระตถาคตเรียกว่าสาวกภาสิตาเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราไปดูพระไตรปิฎกเขาจะเขียนว่าพระสูตรและอัตตกถา วัสดรก็ ค, คือคำพระตถาคตอันตราก็คือคำที่แต่งขึ้นใครมี power ในการทำพระไตรปิฎกก็จะใส่ความเห็นตัวเองเข้าไปทีละเล็กทีละน้อยไปเรื่อยๆในบางคราวเราเจอผู้เจ้าเนี่ยอธิบายพูดไว้บรรทัดเดียวไปอธิบายไว้หนึ่งร้อยกว่าหน้าแล้วเราก็ไปนั่งอ่านนะคำของคนที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าบัญญัติขึนนะซึ่งผู้เจ้าบอกห้ามบัญญัต สั่งบอกภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจะไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติภิกษุทั้งหลายจะไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไปแล้วจกสมาทานศึกษาในสิกขาบทที่บัญญัติไว้แล้วอย่างเคร่งครัดอยู่เพียงใดความจเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้น น, <apenas. S 1> นั่นผู้เจ้ามองภาพล่วงหน้าเห็นบทแล้วแล้วก็บัญญัติเหตุเสื่อมมันจะเสื่อมยังไงมันจะแก้อย่างไง วิธีแก้ก็คือพระองค์บอกว่าสุดตัณตๆเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคำร้อยกรองประเภทการกรอนมีอักษรสลัดสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตรเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุดตัาตๆเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้ยดีไม่เงี้ยวหูฟังไม่ตั้งจิตพจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สาคัญว่าควรศึกษาเล่าเรียน เราะนั้นคำที่แต่งใหม่ผู้เจ้าปิดเลยห้ามศึกษาห้ามฟังนะส่วนสุดต่างๆเหล่าใดที่เป็นคําของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกอุตละว่าเฉพาะใยเรื่องสุญญันตาเมื่อมีผู้นําสุดต่างๆเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี้ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนนี่คือวิธีแก้แต่ถามว่าณนะวันนี้เนี่ย ภิกษุก็ตามนะอุบาสกบาสิกาก็ตามภิกษุณีบาสกบาสิกาถ่ายทอดพุทธวจนะหรือเปล่าไม่ได้ถ่ายทอดพวกเราไปตามร้านหนังสือธรรมะนะ <c oughs> ไปหาหนังสือธรรมะมาอา่านมีแต่หนังสือสาวกอาจารย์นั้นอาจารย์นี้เต็มไปหมดเลยหาหนังสือพุทธวจนะคำสศาสดาตัวเองได้ไหมหาแทไม่ได้เลยนี่คือเมือนพุทธนะที่หาคําอศาสดาตัวเองไม่ได้ แต่มีคำของสาวกพูดกันทั่วไปหมดเลย น, นั้นตรงอย่างที่พระตถ า, าคตได้บอกเอาไว้ว่านี่คือความอันตรธานของคำของตถ า, าคตนะที่จะมีในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันแก้ไขนะรัศการที่หนึ่งเนี่ยเอาข้อมูลนี้มาจากไหนประเทศในแถบสุวรรณภูมิเนี่ยได้ข้อมูลนี้มาจากพระเจ้าโกมาราชนะ ถ้าเราไปอินเดียเราจะเจอเซาวินโซกซึ่งอั ก, อกษร น, นี้นะแกะถูกแกะสลักลงในเซาวินโซกคืออักษรพราหมีภาษากระกนะ <c oughs> ถูกกรจะจายออกไปเก้าตำแหน่งทั่วโลกที่หนึ่งมาในสุวรรณภูมิประเทศในแถบสุวรรณภูมิก็เก็บข้อมูลเอาไว้นั้นบาลีสยามรักของเราต้นตอมาจากที่อินเดียคือตัวเาวินโซก นั่นนี่คือหลักฐานที่ถูกถ่ายทอดกันมานะแต่ละยุคแต่ละสมัยจากผู้นำประเทศที่มีสมาธิและช่วยกันดำรงรักษาคำของพระตาตาโคตรไว้พระเจ้าโศกอยู่ประมาณ200ปีหลังพระเจ้าปเรนิพันธ์สองชั่วอายุคนเองนะเนั้นหลักฐานยังมีอยู่ครบถ้วนในประเทศไทยเราก็เจอหลักฐานในยุค ป, ประมาณพันกว่าปีที่ลบบุรีและที่เพชรบูร์อยู่ในก้อนศิลาเหมือนกัน ซึ่งจะสลักปฏิจจสุบานลำดับเหตุของการเกิดขึ้นและการดับไปของความตายนะนี่คืออักษรปัลวะภาษาบาลีสลายยตนาปัจยาผัสโศเพราะมีสลายยตนาเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะพุทธศัวรรษที่สนะิบสองที่เพชรบูรณ์ก็เหมือนกันนะเราก็เจอก้อนศิลาตรงนีนะ้และล่าสุดก็คือไปเจอที่ในถ้ำอัฟกานิสถานที่ เขาระเบิดเขาพุทธรูปแล้วก็นักโบราณคดีเข้าไปนะแล้วก็เจอเศษซากไบลานนะแปลงเป็นสิ่งเสียอตรงนี้นะแล้วก็นักโบราณคดีก็นำมาต่อกันนะค่อยๆเรียงต่อกันนะทำอยู่หลายปีจนได้เป็นแผ่นอย่างนี้นะก็ไม่ใช่ง่ายและแปลกลับมาเป็นภาษาไทยนะเมื่อแปลกลับมาเป็นภาษาไทยปรากฏว่า ตรง ก, กันกับบาลีสยมรัตของเราเป็นเรื่องของอภัยมุขโขนะที่สอนกับสาวนะกข้าพเดีบุตรนะบอกท้าพเดีบุตรการตามประกอบในธรรมเป็นที่ตั้มแห่งความประมาทเนื่องด้วยของเมาคือสุราและเมลยัยเป็นทางเสริมแห่งโขคะการเที่ยวตามจอดซ่อบซอนในเวลาวิการเที่ยวไปในที่ชุมนุมแห่งความเมาการพ น, นันคบมิตรชั่วความเจดคานเราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กนะ แต่สิ่งนี้เขาพูดกันมา 2,000 กว่าปีแล้วและเมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วมีการพูดกันเรื่องความไม่ตายไม่ตายจะทําได้อย่างไรนะนั่นคือพระตถาคตเกิดมาเพื่อสอนเรื่องความไม่ตายนะพระองค์บอกเลยว่าถ้าธรรมชาติสามอย่างนี้ไม่มีอยู่ในโลกคือความเกิดความแก่ความตายไม่มีความจําเป็นที่อรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต้องบังเกิดขึ้นมาในโลก และทำวินัยนี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องลุ่งลึืงไปในโลกนะเพราะองค์เกิดมาเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้เพราะนั้นแก่นแท้คำสอนของรพระตถาคตคือทำยังไงจะไม่ตายนะนั้นทุกคนเดินไปสู่ความตายหมดนะไม่มีใครในโลกนี้ไม่ตายทุกระบบชีวิตจะเป็นปรมเป็นเทวดาเป็นมนุษย์นะโลกกเนเดตายเกิดแก่เจ็บตายหมดนะไม่มีใครไม่มีใครได้ตามความปรารถนาในเรื่องแก่เจ็บตาย นั้นเวลาผู้เจ้ามาประกาศศาสนาเทวดาพรหมทั้งหลายห่อเหี่ยวใจหมดว่าคิดว่าเราเป็นผู้เที่ยงแท้แต่แท้ที่จริงแล้วเราก็เป็นผู้ที่ไม่เที่ยงมีความตายเป็นธรรมดาเหมือนกันและพระศาสดาก็บอกว่าเทวดาพรหมนั้นเมื่อทำการละแล้วก็ยังไม่รอดพ้นไปได้เสียจากนรกกับในจดชหรือเปรวิสัยนะนั้นการที่เราไปอ้ อ, อนวอนวงสวงบูชาก็ ไม่มีความจาเป็นนะเพราะว่าเขาก็เป็นสัตว์ผู้มีวิชาเป็นเครื่องกั้นปัญหาเป็นเครื่องปูแก่เจ็บตายเหมือนเราเหมือนกันและสุคติของเทวดาคืออะไรอยากได้เกิดเป็นมนุษย์นะนั้นคูเจ้าบอกว่าถ้าเทวดาตายเขาปรารถนาจะเกิดเป็นมนุษย์ส่วนมนุษย์อยากเมื่อตายแล้วอยากไปเป็นเทวดานะมันไม่พอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่นะ อันนี้จึงเกินให้เพื่อให้ทราบว่าคำพระธราคตเนี่ยเป็นอย่างไรที่มาที่ไปเป็นอย่างไรเพราะข้อมูลที่อาตมาจะให้ไป น, นั้นมันจะผัดกับความรู้สึกของเราความเห็นของเราสิ่งที่เราเห็นที่ทำตามตา ม, ตามกันมาอยู่ตลอดนะอาตมาจึงต้องเอาหลักฐานมายืนยันนะแล้วสาวที่มาที่ไปให้เราเห็นนะถึงว่า <c oughs> ข้อมูลมันมาจากไหนและเราต้องใช้ข้อมูลอะไรและาศาสนากาลัเงเดินไปสู่ความเสื่อม และความสูญสลายซึ่งพระเจ้าบอกว่าเธอจะเป็นคนสุดท้ายในกาลยานวัตของพระองค์จนะัดกั บ, บ้านนนบอกอานน์ความพาสูญแห่งกาลยานวัตนี้มีในยุคแห่งบุรุษใดบุรุษนั้นชื่อว่าบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลายบอกอานน์เกี่ยวกับกาลยานวัตนั้นเราขอเป่าย้ำกับเธอโดยประการที่เธอทั้งหลายจะพากันประพฤติตาม กัลยาณวัตรที่เราตั้งไว้แล้วนี้เธอทั้งหลายอย่าเป็นบุตรพวกสุดท้ายของเราเลยนะอย่างน้อยวันนี้อาตมาไม่เป็นคนสุดท้ายแล้วพร่อตาหมาหยิดยื่นพุทธวจนะให้กับพวกเรานะทำตามพระศ า, ศาสดานะนะและพวกเราก็คงจะหยิดยื่นพุทธวจนะนี้ต่อให้กับลูกเราหลานเรานะไม่ใช่บอกว่าลูกนี่ของปลอมนะลูกศึกษาไว้นี่ของปลอมโยมต้องบอกว่านี่ของจริงคือพุทธวจนะพระศ า, ศาสดาของเรา ลูกต้องเข้าใจนะวิธีแก้กรรมอริยมรรคมี อ, อามามงแ์8เท่านั้นที่จะแก้ได้ไม่มีวิธีอื่นอย่าไปทําแบบอื่นเลยลูกเสียเวลานะเพราะพระตถาคตตัดว่าอาริยะอัตถังคิกามรรคนี้นั่นเองคือกรรมรรนิโรธาไม่มีปฏิปทาปฏิปทาให้ถึงความสิ้นกรรมไม่มีวิธีอื่นนะ <c oughs> พระองค์ตัดกี่ครั้งตลอดทั้งชีวิตพระองค์ก็ตัดวิธีเดียวนะอริยะความประเสริฐ อัดถังคือแปดี่กรรมคือหนทางหนทางอันประเสริฐแปดประการนะที่จะเป็นไปเพื่อการสิ้นกรรมนะไม่มีวิธีอื่นเลยนะนะ น, นั้นให้เราเข้าใจเรื่องแก้กรรมอีกเรื่องหนึ่งเพราะไม่งั้นเราจะไปแก้กรรมกันผิดๆเยอะๆไปหมดนะเสียเวลาด้วยเสียงเงินทออนะแล้วไม่ได้ผลจริงสรุปแล้วการกระทำนั้นศูนปล่า สูญเปล่าตามความเห็นใครนะตามความเห็นพระตถาคตแต่อาจจะเป็นความเห็นเราว่าไม่ศูนย์หรอกคงจะได้บ้างนะอแต่ของผู้เจ้าบอกว่าไม่ได้ผลยังอยู่ในระบบของกรรมเหมือนเดิมนะตกลงเราจะเชื่อใครนะเชื่ออรันตสมมาสัมพุทธะหรือว่าเชื่อความเห็นของเราเองหรือว่าสิ่งที่ทําตามกันมาเรื่อยๆนะนั้นไม่มีใครอยากได้ข้อมูลผิดไป ณนะนะวันนี้จึงนำข้อมูลที่ถูกต้องมาให้พวกเราได้ทราบและให้พวกเราได้สามารถสืบคนได้เองณนะนะวันนี้เรานอกจากทำเป็นหนังสือ <c oughs> จำนวนมากแล้วนะเรายังทำไปในรูปแบบอื่นนะหนังสือที่เราทำเช่นพุทธวจนะอันนี้นะจะอามาจากบาลีสามรัฐนนั่นเองนะแต่ดึงมาเฉพาะส่วนที่เป็นคาตถตาคตเท่านั้นนะคือส่วนที่ถูกต้องไม่มีข้อผิดพลาด คือคำพูทเจ้าจะได้เล่มใหญ่อย่างนี้33เล่ม น, นะและในนี้จะบรรจุทั้งภาษาบาลีและภาษาไทยนะเพื่อให้เราตรวจสอบความถูกต้องได้ด้านซ้ายเป็นบาลีด้านขวาเป็นภาษาไทยสลับกันไปทุกหน้านะเพราะฉะนั้นเราสามารถเ <c oughs> ช็คความถูกต้องได้ทันทีไม่ต้องไปวิ่งหาภาษาบาลีอีกและาการแปลเป็นภาษาไทยนั้นก็ ทำให้เราได้ศึกษาภาษาบาลีไปด้วยในตัวเป็นการทรงไว้ซึ่งคำของตถาคตบางทีเราจะพกเล่มใหญ่ๆอย่างนี้ไปไม่ไหวก็เลยทำเป็นเล่มเล็กให้นะในหมวดธรรมต่างๆถ้าเราต้องการแก้กรรมอาตมาทาไว้ให้แล้ววิธีแก้กรรมที่ถูกต้องนะเดี๋ยวนี้หนังสือแก้กรรมของมาเต็มเลยนะเพราะฉะนั้นอย่าไปเสียเวลาอ่านข้อมูลผิด นะอ่านคำพระศาสดาของเราคำตถาคตวิธีแก้กรรมที่ถูกต้องนะต้องการปฏิบัติแบบง่ายๆทำไว้ให้แล้วมักวิธีที่ง่ายนะ <c oughs> ต้องการดูจิตอย่างไรทำไว้ให้แล้วอินทรีสังวรหกสิบกว่าประสูตรในการดูจิตที่ถูกต้องนะอยากเป็นคารวาชันเลอกรวมไว้ให้แล้วในนี้ การเจริญอาณาปานสติรวมไว้ให้แล้วทั้งชีวิตผู้เจ้าตรัสไว้32มสิสพสูตรตรัสซ้ํากันซะหไม่ซ้ำกันซะยีอยู่ในนี้หมดแล้วใครสอนผิดจากนี้พระองค์ไหนสอนผิดจากนี้พระองค์นั้นต้องเปลี่ยนนะไม่ใช่ให้ผู้เจ้าไปเปลี่ยนนะเขาต้องเปลี่ยนให้ตรงตามพระตถาคตและข้อสังเกตก็คือผู้เจ้าไม่เคยสอนเรื่องคำบริกรรมเพราะฉะนั้นใครนั่งสมาธิมีคําบริกรรมเลิกได้แล้วเพราะผู้เจ้าไม่เคยสอนตรวจได้ ถ้าโยมตรวจเจอว่าผู้เจ้าเคยสอนเรื่องคำบริกรรมซักหนึ่งขอสูตรช่วยบอกอาตมาด้วยนะอาตมาก็จะเลิกเหมือนกันแล้วจะทำตามโยม น, นะเพราะนั้นณนะวันนี้เรามีข้อมูลเท่ากันบารลีแสียร์นททั้งหมดถูกใส่ลงในโปรแกรมแผ่นนี้นะและโชคดีที่พระที่จบเอกด้านการเขียนโปรแกรมมาบวชที่วัดก็เลยทำเป็นแอปพลิเคชันเข้าไปในระบบของแอเิกับแอ Android เพราะฉะนั้นทาข้อมูลตรงนี้เข้าถึงพวกเราทุกคนนะ ถ้ามี Wi-Fi ก็โหลด ต, ตรงนี้ได้นะไม่ถึงนาทีก็เสร็จแล้วบาลีสามร้อยสี่้าเล่มทั้งภาษาบาลีและภาษาไทยจะอยู่ในมือถือของเราพร้อมกับโปรแกรมในการสแกนตรวจค้นคำนะต้องการรู้ว่าทำบุญแล้วได้อะไรให้ทานแล้วได้ประโยชน์อะไรมีตอบโจทย์นี้หมดนะแก้กรรมแก้อย่างไรนะแผ่เมตตาทำยางไรอุทิศบุญกุศลทอยางไงต้องใช้กวดน้ำไหมนะหาได้ในนี้ ในโปรแกรมแผ่นนี้เพราะฉะนั้นไม่มีใครหลอกพวกเราได้ณวันนี้เรามีข้อมูลเท่ากันนะจากเซาวินโซกสู่แผ่นโปรแกรมแผ่นนี้แล้วก็แอปพลิเคชันต้องการสาธยายทำเราทำไว้ใหนะ้เราท่องบนสวดมนต์กันหลายพระสูตรละเกินตรงตามพระาศาสดาหรือเปล่ามีใครทราบว่าพระตถาคตสวดอะไรเวลาอยู่วิเวกหลีกเล้นผู้เดียวนะส่วนใหญ่เราจะไม่ทราบ อาตมาไปถามพระพระยังไม่ทราบเลยไปบรรยายให้พระฟั์ที่บุรีลำนะเจ็ดร้อยองค์นะนะที่สุรินเจ็ดร้อยที่บุรีลำสี่ร้อยที่ถ้ำดาวเก่าแก้อีกสี่ร้อยนะพันกว่ารูปไม่ทราบว่าพระศาสดาตนเองสวดอะไรแต่สอนญาติโยมให้สวดทั้งนั้นเลยนะกลายเป็นเรากำลังสวดในสิ่งที่คนรุ่นหลังแต่งขึ้นใหม่นะคาถาต่างๆยอดทิศทั้งหลายเนี่ยถูกแต่งขึ้นในยุคหลั ง, งเกือบทั้งนั้นเลย พระศาสดาสวดอะไรพระองค์สวดกฎอิทัพปัจจะตาสวดปฏิจจสมุปบาทสวดอริสัตสีนั่นเองที่ลงรายละเอียดในส่วนสมุทัยและนิโรธนะอิทัพปัจจะตาสีบรรทัศนเองถ้าโยมอยากจะสวดอิมัสเมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุ ป, ปาทาอิทังอุปปัชติเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอสติอิทังนโหติ เมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสานิโรธากิทังนิรุชติเพราะการดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปในระบบโลกธาตุทั้งหมดทุกระบบชีวิตตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของสี่บรรทัดนี้นะเพราะอะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดอะไรจึงเกิดเพราะอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีเพราะอะไรดับอะไรจึงดับนะได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออะไร เพราะมีอวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจ ic ัยจึงมีสลายชนะสลายนะหมายถึงอายจตระหนัภายในกับภายนอกใน6กนอกหกรวมเป็น12นะเพราะมีสลายนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะแล้วเกิดเวทนาตัณหาอุปทานภคชาติฉลามอณันี้คือลําดับเหตของการเกิดขึ้นของความตายแก่และตายมีเพราะ ลำดับอย่างนี้ชาติภพอุปทานตัณหนานี่แต่ละคู่นะแต่ละผู่นี่คือกฎอิทัปิปฏจยาตานะเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเห็นไหมถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะการดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปเหมือนกันแต่ละคู่แต่ละผู่แต่ละผู่นี่คือกฎอิทัปิปฏจยตาที่เรียงร้อยต่อกันมาทั้งหมดนี้จึงรวมเรียกว่าปฏิจจสมุปบาท เพราะฉะนั้นอิทับปยาตากับปฏิจจสุบาทเกี่ยวข้องกันอย่างนี้นะและปฏิจจสุบาตอันนี้คือวงรอบการเกิดของความตายนะอยู่ในอริสสัต4สีคือตัวสมุทยัยข้อที่2และวงรอบการดับไปของความตายเพราะความจางคลายดับไปนั้นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่ ง, ง, งวงิญญาณไล่ดับมาเรื่อยๆจนกระทั่งความตายดับ ความตายดับไปได้อย่างไรเพราะนั้นพระองค์จะแก้ความตายพระองค์ต้องหาก่อนว่าตายมันมีเหตุมาจากอะไรแล้วเข้าไปดับที่เหตุเมื่อดับเหตุได้ความตายก็จะถูกดับไปด้วยความตายจะไม่มีนี่วิธีเอาชนะความตายที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราจะเข้าโรงพยาบาลกี่รอบก็าตามมองเหมือก็ตายหมดนะแต่ถ้าจะพ้นจากตายจริงๆคือตัวนี้ ใครรู้เรื่องปฏิจจสุบาตผู้นั้นชื่อว่าโสดาบันหุูคนนแล้วสามารถเอาชนะความตายได้พระตถาพยืนยันเลยว่าไม่มีใครในโลกพูดเรื่องนี้มีพระศาสดาผู้เดียวอนันตสัมมาสัมพุทธะที่รู้เรื่องนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราไปขุดค้นพบเจอหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ใดก็ตามในโลกที่เก่าแก่ขนาดไหนก็ตามจะไม่เคยเจอเรื่องปฏิจจสุบาต และถ้ายมเจอเรื่องปฏิจจสุบาตมันจะอยู่ในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาทั้งสิน้นะเพราะฉะนั้นพระเจ้าบอกพระองค์คนเดียวเท่านั้นในโลกที่พูดเรื่องนี้ได้เป็นอาการของจิตเราทั้งหมดมนุษย์ทุกคนมีอาการของปฏิจจสุบาทอยู่ในใจนะมันเป็นการทํางานของระบบของวิญญาณกับนนามรู้ว่ามันทํางานกันยังไงนะนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเข้าไปรู้เข้าไปเห็นนะกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแล้ว บัญยัตเปิดเผยจำแนกแจกแจงออกมาอย่างละเอียดเพื่อให้ผู้มีทุลีในดวงตาน้อยเนี่ยรู้ตามได้นะเพราะคนเหล่านี้จะเสียโอกาสถ้าไม่ได้ยินได้ฟังธรรมเขาจะเสื่อมจากคุณที่ตนควรจะได้รับนะ <c oughs> ถ้าเราต้องการปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันบุคคลอะไรบุคคลขั้นต้นก็รวมไว้ให้แล้ว หรือเล่ม น, นี้5 4สี่นัยยะของความเป็นพระโสดาบันที่พระตถาคตบัญญัติเอาไว้นะเพื่อไว้ตรวจสอบตนเองไม่มีใครพยากรเราได้ไม่ต้องไปวิ่งหาพระองค์น้นองค์นี้ให้พยากรว่าฉันปฏิบัติถึงไหนแล้วไม่ต้องตรวจสอบตนเองพระองค์วางหลักธรรมไว้แล้วแล้วก็บอกว่าถ้าหวังจะพยากรให้พยากรตนและตนนั่นแหละ ว, ว่าเป็นพระโสดาบันแล้วนะ นอกจากอันตสัมมาสัมพุทธ a แล้วไม่มีใครพยากรได้นอกจากอันตสัมมาสัมพุท ta หรือตนเองพยากรณตามหลักธรรมที่ได้บัญญัติเอาไว้เช่นการมีศินห้าบริบูรณ์และความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระลัตนาไตรเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นในพระลัตนตรยัยศีลประดับปรามาความรูกคำในศินคือข้อปฏิบัติผิดทางกายวาจามันจะหมดไปนะ ขับรถผ่านสารเพียงตานะรูปปั้นรูปหล่ลอนะเราก็ไม่ต้องคอยมาบีบแต่ยกมือไหว้อะไรกังวลกันไปหมดเลยเอยเดี๋ยวรถจะคว่มหรือเปล่าจะเป็นนั่นเป็นนี่ไหมเพราะเราจะเชื่อมั่นในพระรันนตนตรัย 100% เซและเราจะละมิจฉาทิฏฐิว่ากรรมหรือสุขทุกเกิดจากผู้อื่นบรรดาไม่มีผีสางนางไม้เทวดามันผมมาบรรดาให้ใครคนนั้นคนนี้เป็นไอ้นั่นไอ้นี่ได้นะนั้นกรรม ที่เรากระทำทังกายวาจาจิตจะเป็นตัวส่งผลให้เรานะ <c oughs> มีอะไรอีกที่ เ, เราเข้าใจพาดเคลื่อนกันในพุทธศาสนานะและคิดว่าสิ่งนั้นคือคำสอนของพระตถาคตเพราะมันถูกสอนโดยพระนะสมณะสักยะปุตติยะที่เราคิดว่าเขาเป็นผู้ถ่ายทอดคำพระตถาคตแต่ปรากฏว่าการถ่ายทอดมันคลาดเคลื่อนและผิดเพีนะ้ยนเราจรึงต้องกลับไปหา ข้อมูลที่เก่าวี่สุดในโลกตรงนี้ดนะนั้นข้อมูลนี้เอาตอมาไม่ได้แต่งเองนะใช้หลักฐานที่ประเทศไทยถืออยู่นี่แหละนะแล้วเอามาเปิดเผยแค่นั้นเองนะ <c oughs> ขั้นรายการนิดหนึ่งมีใครสงสัยอะไรซักถามได้ช่วงนี้นะเพื่อจะมีข้อสงสัยเจ้ ก็เป็นเป็นความผิดที่เรียกว่าเป็นความผิดที่ว่าด้วยมารายาทและขวจรนะสินของพระจะมี3ระบบนะนั้นไม่ใช่เอไอเอ้ไอั น, นี้ทำกิจยามไม่เรียบร้อยเอาไปศึกซ ะ, ะไม่ใช่การศึกพระได้มีสข้อหาเท่านั้นเองคือ 1. เศษเมตุน 2. ขโมย 3. าฆ่ามนุษย์4ี่อวดคุณวิเศษไม่มีเนตนตนนอกนั้นศึกไม่ได้ นะนั้นถ้าเราทำตามระเบียบพระตถาคตนะพระทุกองค์จะยอมรับหมดนั้น <c oughs> บัญญัติของสินนี่เรื่องของสินของพระมีมากมายรายละเอียดลองไปดูสินสามระบบตัวนี้นะพระมีสินสองพีร้กว่าข้อมากกว่า 2,400 อกว่าข้อเยอะมากนะั้นถ้าอาตมาถามโยมก่อนบอกโยมคงตอบสองสองเจ็ดนะ พระมีศิล227เพราะระบทมาครูบาอาจารย์ก็สอนมาอย่างนั้นแต่ถามว่าพอไปดูในพระบัญญัติของพระตถาคตจริงๆ 2,400 กว่าข้อให้พระที่วัดนั่งนับกันทั้งหมดเลยดูซิมันจะมีกี่ข้อกันแน่นะอ่าไม่เคยมีใครนับมันกันมาสักทีนั้นระบบแรกคือบัญญัติก่อนปฏิโมจะมีประมาณ3 6 3ข้อ พวกที่ดูหมอดูเลิกดูยามสะดอกคล้อผูกเสกเลิกยานผู้เจ้าห้ามไวในศินกลุ่มนี้ทั้งหมดว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทําเดรลฉานวิชาเห็นปันนั้นเสร็จแล้วแม้นี้ก็เป็นสินของเธอประการหนึ่ง น, นะส่วนสินในระบบนี้จะมี150ข้อเป็นสินที่เรียกว่าปฏิโมกนํามาสวดทุกถเดือนนะถ้าภิกษุอยู่ตั้งแต่4รูปขึ้นไปส่วนศินกลุ่มนี้จะเป็นสินที่ว่าด้วยมารยาทและโจร มารยาทของพระโคจรคือการมากันไปการเข้าในละแวกบ้านการพูดคุยปฏิสัมถานการเดินบินบาบนะอย่างนี้จะถูกบัญญัติไว้ตรงนี้เพราะฉะนั้นที่ถามนี้ก็คือจะปิดในสินตุ่มนี้สินที่ว่าด้วยมารยาทและโคจร น, นะซึ่งจะมีบทลงโทษอะไรก็จะมีบอกห้าอย่างเช่น 1. ตัดชนีกรรมนะคือข่มู่หรือตัดเตือน 2. นะนิยสกรรมถอดยศหรือตัดสิทธิ์กลับไปถือนิสัยใหม่ กลับไปอบรมใหม่ปพาชนิยกรรมขับออกจากพื้นที่ปฏิสารนียกรรมกลับไปขอโทษเขาเลยทัสและอย่างที่5อุเคปนียกรรมขับไล่ออกจากหมู่นี่คือวิธีการลงโทษภิกษุที่กระทําผิดว่าด้วยมรรคและปฏิปทาความผิดของข้าจะมี2ระบบระบบที่ว่าด้วยปฏิโมกขันยิ่งและอาชีวะอันยิง่งก็คืออาบัตตตั้งแต่ปาราชิก สสังฆาทิเศษ13นิสครีปัจจิตี30ปัจจิตี92ปิปาติเทศนิยสี่ข้อและอธิกรณะสมถะเจข้อนะรวมเป็นร5 0ยห้าและมากกว่า 1,940 ข้อคือกลุ่มนี้กลุ่มที่3นะและวิธีการลงโทษคือตัวนี้นะตารางนี้อัตมาทาเมื่อ1ิกว่าปีที่แล้วไม่เคยมีใครทำตรงนี้มาก่อนเพราะว่าตรงนี้ยากมากพูะเจ้าอธิบายเป็น ร้อยแก้วมาทั้งหมดเนี่ยเราต้องมาจับว่าพระพเจ้าเนี่ยลงโทษยังไงศิลของพระมีอะไรแล้วก็แบ่งเป็นกี่กลุ่มแล้วกระบวนการขั้นตอนจะต้องทำอย่างไรบ้างนะนั้นอันนี้จะเป็นตามพุทธวจนะทั้งหมดเราทำไว้ในหนังสืออรีวินยัยนะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นเรื่องนี้เพราะนั้นก็ปรับความผิดท่านได้ตามระบบที่สอง คือสินที่วาดด้วยมารายาทในโขจรนะ่าผาะอ่ามันไม่าเะรอ่ะฮะท่านพูดอย่างเ้อ๋ออ่านูดีก็ฮะก็จะไ้อ๋อเออ จ ร, จริงๆเรื่องการสร้างพระพุทธรูปเนี่ยผู้เจ้าก็ไม่เคยบัญญัตินะบัญญัติอย่างนี้นะ <c oughs> ถ้าเราสร้างสร้างเศนาสนะเนี่ยมีอ น, นิสงส์ตัดเอาไว้นะแต่สร้างพระไม่เคยจัดบอกอ น, นิสงส์เพราะว่าเรื่องลูกปั้นรูปดอกผู้เจ้าไม่เคยบัญญัติจริงๆนะแลวก็ไม่มีบอกอ น, นิสงส์ไว้ด้วยแต่มีที่จะเทียบเคียงกันได้คือเรื่องของ ถูปารหาบุคคลบุคคลผู้สมควรทำสัตถุภพยนะพระองค์บอกพระองค์อาศัยอำนาจแห่งประโยชน์อะไรจึงบัญญัติตัวนี้นะพระองค์บอกว่าเมื่อบุคคลใดอาศัยสัตถูของบุคคลนั้นแล้วเนี่ยจะเกิดปิติเกิดความสุขเป็นไปเพื่อสุขติโลกสวรรค์พระองค์จึงระบุบุคคลสี่จำพวกว่าเป็นถูปาระหบุคคลคือหนึ่งอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า2นะ พระปัจเจกคุณเจ้าสามตถาคตตัสสะสาวกโกคือ ส, สาวกของพระตถาคตสี่พระมหาจักรพรรดิสีบุคคลนี้เป็นผู้สมควรทำศัตรูเพราะเมื่อบุคคลใดมาเห็นเข้าจะระลึกถึงคุณความดีเขาได้แล้วเป็นไปเพื่อสุติโลกสวรรค์เกิดปิติเกิดความสุขนะนั้นถ้าเราจะเก็บอัตถิของเขาไว้ แล้วทำศัตรูซึ่งไม่ทราบว่าศัตรูมีลักษณะอย่างไรนะเพราะ น, นั้นศัตรูอาจจะทำเป็นรูปพระก็ได้หรือรูปปั้นหรือเป็นเนินดินหรืออะไรก็ได้ซึ่งมีอีกบัญญัติหนึ่งคือเจดีย์บุคคลผู้สมควรทำเจดีย์ให้4อย่างเหมือนกัน 1. อรันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 2. พระปัจเจกุตเจ้า 3. พระอรหันต์4พระมหาจากักรพรรษ ต่างกับการทําสถูคือข้อที่สข้อที่3นั้นต่ากว่านิดหนึ่งคือตถาคาตศาสาวโกสาวลกของพระตถาคตแต่เจตียานินี่คือผู้คลผู้ควรทําเจดีนี้ใช้คําว่าพระรหันสูงกว่านิดหนึ่งขข 1, ข3ข้อข้อหนึ่งข้อ3าข้อสีนั้นเหมือนกันคือพระพุทธเจ้าพระปัิเจกและพระมหาจักรพรรดิ น, นะและรูปแบบการทําเจดีไม่ทราบอีกเหมือนกันว่าเจดีคือรูปร่างอย่างไง ก็เลยมีคนคิดว่าเขาเกิดเขาทำเจดีย์เป็นรูปลูปคนแหละเหมือนรูปปั้นพระอย่างนี้ก็พอจะนุรงหลมได้ไหมก็คงจะพอหนุ่ลวมได้นะเพราะฉะนั้น أ, การทำพระพุทธ ร, รูปตัวเนี้ต้องมีเหตุที่มาที่ไปเพราะนั้นเหตุที่มาที่ไปที่พอจะเข้าเค้ากับพระธรรมคำสอนที่ฝากไว้ให้เป็นาศาสดาต่อไปคือตัวนี้นะไม่งั้นไม่มีพระสูตรใดที่มารองรับเรื่องรูปปั้นรูปหล่อได้เลย นะอันนี้ก็คือที่หมู่พระเราวิเคราะห์กันด้วยทำวินัยที่พระตถาคตบัญญัติเอาไว้ที่บอกกับพระนลให้เป็นศาสดาแทนต่อพระองคตว่าอ น, อนลความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่าพวกเรามีพระศาสดาร่วมรับไปแล้วศา ส, สดาของพวกเราไม่มีอ น, อนลเธออย่าคิดอย่างนั้นทำก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลายทำวินัยเหล่านั้น จกเป็นศาสดาของพวกเกิดทั้งหลายต่อไปโดยการร่วมไปขงเรานะเพราะฉะนั้นธรรมวินยัยเนื้อเนื้อธรรมคือตัวพระศาสดานั้นให้เราเข้าใจว่าตัวเนื้อธรรมนั้นคือตัวพระศาสดาอยากให้เราเข้าถึงพระศาสดาอย่างถูกต้องนะอย่างนี้นะขออนุญาตพระอาารยรัเชือผมก็เลยถึงทางพระอารยนะครับต้องเคยไปฟังพระอา ร, รย ที่วัดพระการนะครับเวัดพระการนะครับต้องมีเรื่องการเรียนพระการอยู่ก็อนะครับจากจากที่พระการว่าภาินัยตามบุตรบุตรสมัติหน้าเนี่มีเยอะมากนับาจารย์ซึ่งในหนังงตวมู่สมปัจจุบันเนี่ยนะครับต้างในตัวในยูคปัจจุบันเนี่ยซึ่งพรคัมภีจ์ปฏิบัติตามภาพนัยและโคตรตามพิธีกรรมตามที่พระสงฆ์ประดุกเนี่ยน้อยครับค้อยมากนะครับ ถระการมีอาอะไรครับพี่ดินการให้พวกเราเนี่ยนะครับที่เป็นคารวาเนียดอยู่เนี่ยเพื่อกระโดดกระโดดยังไงให้ทาไปาที่ถูดเนี่ยแลย้ย็ดครับยังไงเขาทคยางไนที่จริงๆแล้วมีมหาอำาจและคดีต่างเนี่ยร่าที่กุศลให้ชาวกไทยเราก็ตั้งมือวอลลนะครับเรื่องขอ ง, งาาอสาระนะครับถ้ า, ในในใน า, า, าก า, ารมีอำนาจอะไให้พวกถุณเนี่ยพูดกันนะครับเพื่อจะได้กระโดดขลอนปถึงผู้ใช้ไทยครับนะครับ ตอนทคำถามหนึ่งถ้งากระหัหรือท่าปลอยกระครับนี่ยนารับจะมาเผยกันในสมัยมีปวดหรือไม่ครับที่ทำให้ท่าทำไังไงของเราเนี่ ย, ย, น, น, น, น, น, ยน่าเรามั น, มนยอดยดในปัจจุบันนี้ครับอ๋อออขอนนอนุญาตถามตรงนะครับอ๋ออ๋อในข้อที่สองเนี่ยไม่ไม่ต้องไปตำหนิท่านหรอกเพราะว่าเหตุปัจจัยของความเสื่อมของศาสนาผู้เจ้าบัญญัติไปแล้วเพราะผู้เจ้าไม่ได้บอก ว่าเหตุผลพเพราะจ้าคณะตำบลอาเภอจังหวัดแต่เป็นท้องสี่อย่างหนึ่งจดจําบทบรรชนะกันมาผิดความหมายผิดอธิบายผิดนี่ข้อแรกเลยบทบรรชนะที่ใช้กันเนี่ยผิดอธิบายถึงบอกว่าไม่มีหนังสือพุทธวจนะในประเทศไทยแปลกมากนะทั้งที่เป็นเมืองพุทธแต่มีแต่หนังสือคำครูอาจารย์นั้นะสองภิกษุต้องเป็นผู้ว่างง่ายอดทนยอมรับฟังคําสั่งสอนโดยความรบหนักแน่นถ้าไม่ทําอย่างนี้เสื่อมนะ อย่างที่ 3, สามภิกษุที่คล่องแขล่วในหลักพุทธวจนะทรงธรรมทรงวินยัยต้องขยันถ่ายทอดบอกสอนเนื้อความนั้นๆแก่นชนทั้งหลายเพื่อแม่ขานผู้เป็นบุญราาสืบทอดกันต่อๆไปนั้นวันนี้อาตมาจะมาถ่ายทอดอะไรให้เราก็ต้องถ่ายทอดพุทธวจนะทําตามพระบรัญญัติข้อที่สที่ต้องขยันถ่ายทอดบอกสอนคาตถานกฎออกไปไม่ใช่ถ่ายทอดคําตัวเองไม่ต้องไปปรุงแต่งเองใช่ไหม และถ้าอาตมาขาดตกบกพ ร, ร่องอาตมาก็ขึ้นจอให้ว่าเต็มเตมเป็นอย่างนี้อาตมาอาจจะจําไม่หมดทั้งหมดแต่ครบถ้วนคือตัวนี้แล้วก็ยกหลักฐานให้ดูนะข้อที่สก็คือภิกษุที่เป็นเถระคือบทนานสิปีขึ้นไปต้องไม่เป็นผู้นําในทางสามต้องมุ่งหน้าไปในกิจแห่งวิเวกธรรมปารกความเพีย่ยนให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงให้บรรลุสิ่งที่มันยังไม่บรรลุทําให้แจ้งในสิ่งที่ยังไม่ทําให้แจ้งนะอันนี้คือสข้อของความเจริญศาสนาในย่าที่หนึ่ง ในย้าสองคือให้เจริญสติปัฏฐานสี่ในย้าสามคือให้เป็นผู้ฉลาดในอายตนะและเป็นผู้ฉลาดในปฏิจจสมุปบาทนี่คือสามในย้าของความเจริญหรือเสื่อมของศาสนานะนั้นตัวภิกษุถ้าท่านเป็นเจ้าคณะตำบลอำเภอจังหวัดเจ้าคณะภาคอะไรก็ตามถ้าปฏิบัติตามนี้เจริญแน่นอนนะและอะไรที่ผู้เจ้าไม่เคยบัญญัติอย่าไปบัญญัติแค่นั่นเองเพราะพระองค์ตรัสไว้แล้วว่าภิกษุทั้งหลายจักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติ อะไรที่พระเจ้าไม่ได้บัญญัติอย่าไปบัญญัติอย่าไปขยันอย่าไปคิดว่านี่เป็นกุศโลบายที่รีของเราไม่ได้เพราะสรรพญูมีผู้เดียวในโลกนอกนั้นเป็นผู้เดินตามเท่านั้นและจะต้องไม่เพิกถอนสิ่งที่พระองค์บัญญัติไปแล้วอปริหานิยธรรมข้อที่สาถ้าคณะสงฆ์ทุกคนเคารพพระตถาคตปัญหาจะไม่มีเลยนะพระองค์จึงบอกว่าบุคคลผูก้กระยำ บุคคลสจะพวกหาได้ยากนในโลกลหนึ่งอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 2. ผู้ที่ประกาศคำตถาคตพราวันนี้ประกาศคำตถาคตแทบไม่มี3ผู้มีความกระตันอยู่กระตาเวทีสบุคคลนี่หาได้ยากในโลกและรัตนะ5ประการที่หาได้ยากในโลกแก้ว5ประกา 1. ร 1. นึ่งอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า2ผู้ที่ประกาศคำตถาคตสา บุคคลผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทำในคำตถาคต 4. ผู้ที่รู้แจ้งในคำตถาคต 5. ผู้มีความกะตัญอยู่กระตาเวทีเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราทุกคนช่วยกันประกาศคำตถาคตเราจะเป็นหนึ่งในรัตนห้า 5, และเป็นหนึ่งในบุคคลผู้ที่หายได้ยากในโลกนะนั้นเราช่วยกันศึกษาแต่คำตถาคต ปฏิบัติตามคำต ถ, ถาคตตรงๆเลยแล้วเวลาจะเผยแผ่ช่วยเผยแผ่คำต ถ, ถาคตออกไปย่อมต้องไม่หยิดยื่นข้อมูลผิดให้กับคนอื่นนะเราจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องเท่านั้นคือคำประตถาคตไม่เกี่ยวกับว่ายากหรือง่ายแต่เกี่ยวกับว่าข้อมูลนั้นมันตรงจริงหรือเปล่านะหรือมันเป็นข้อมูลปลอมเราจะให้เขเสพยาพิษหรือว่ายาขนานเองนะตรงนี้ต้องพิจารณาให้ดี และเราคงจะไม่ยอมเป็นคนสุดท้ายในศาสนาของพระองค์เห็น <c oughs> ไ, ไหนั้นตรงนีอ้อยากจะโยงกลับไปที่คำถามตอนแรกในเรื่องของพระพุทธรูปอะไรนีอีกนะว่ า, าการที่เราเลื่อมใสสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสเนี่ยยังเป็นเหตุให้สู่สุปติโลกสวรรค์ได้ แต่ยังหลุดพ้นไม่ได้นะยังหลุดพ้นไม่ได้นั้นต้องเข้าถึงตัวคำสอนนะต้องเข้าถึงตัวคาสอนเพราะความเป็นศาสดาที่แท้คือตัวคำสอนนั่นเองทรวินัยที่หลุดจากปากตถาคตนั้นพระองค์บอกเลยว่าพวกเราเนี่ยเป็นโอรสอันเกิดจากปากตถาคตปากพู้เจ้าเนี่ยพูดคำพูดออกมาคำพูดนั้นถูกเรียกว่ า, าศาสนีหรือาศาสนานคือคำพูดที่หลุดออกจากปากพระพุทธเจ้า เนั้นณวันนี้เราถูกเรียกว่าศาสนานั่นเองศาสนามาจากคําว่าศาสนีศาสนาคือคําพูดที่ออกจากปากพระพุทธเจ้าพระองค์จึงบอกว่าเราเป็นโอรสอันเกิดจากปากของพระองค์นะนเราเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากพระโอร์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เกิดโดยธรรมเนรมิตรโดยธรรมเป็นทายาติโดยธรรม น, รรมนะ <c oughs> นั้นถ้าเราเห็นอันนี้อาจจะเห็นคําว่าธรรมกายเพราะนั้นคําว่าธรรมกาย มีพระสูตรเดียวเป็นชื่อแทนพระตถ า, าคตไม่ใช่ชื่อมรควิธีนะนั้นมรควิธีธรรมกายไม่มีนะแต่มีชื่อธรรมกายคือเป็นชื่อแทนพระพุทธเจ้าซึ่งมีชื่ออื่นอีกอะไรพรม ก, กายธรรมพูดพรมพูดนี้เป็นคำสําหรับใช้เรียกแทนชื่อตถ า, าคตนะนั้นอีกหน่อยก็จะมีวิธีพรม ก, กายวิธีธรรมพูดวิธีพรมพูดกันนะ ถ้าเอาชื่อของพระเจ้ามาเป็นชื่อมัควิธนะีนั้นมัควิธีเช่นสติปัฏฐานสี่อนาปานสติจะต้องมีการลงรายละเอียดในมัควิธีว่าทําอย่างไรเช่นอนาปานนะอนาปานสติพระเจ้าแจะอธิบายเลยว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปแล้วสู่ป่าสู่โคนไม้สู่เรือนว่างก็ตามนั่งคูขาเข้ามาได้รอบนั่งคูขางอขาเข้ามาตั้งกายตรงดารงสติเฉพาะหน้า มีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นทําความรู้ควอมชัเพาะอซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้ารู้ความชั่เพื่ซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกทำกายสังขารให้ระงับอยู่หายใจเข้าทําไกสังขารให้ระงับอยู่หายใจออกนี่คือลักษณะมักวิธีจะต้องมีการลงรายละเอียดว่าทํำยังไง นั้นอย่างคำว่าธรรมากายไม่มีการลงรายละเอียดนั้นเป็นคำของสาวกที่เรียกว่าสาวกพาสิตาสาวกภาสิตคือไม่ใช่ตาตาโคดราสิตา น, นั้นแยกแยะอย่างนี้ น, <c oughs> นั้นข้อมูลพวกนี้เราตรวจสอบได้ทั้งหมดนะ <c oughs> เกิดมาก่อนพระทุกคนในยุคนี้นอาใช่ ที่ทำสิ่่าน้ไปนอาคารที่ เ, เสือมหรนะครับสามารถแก้กรรมได้เข้าันว่า่อาาี่ตวาที่เจ้าไาา ไ, ไ, ออ ไ, ไบอกว่ า, า, วาไม่สามารถแก้กรรมได้อ่าฮะว่าอ๋อไม่ไม่ใช่อาตมาไม่ได้บอกว่าผู้เจ้าบอกว่าไม่สามารถแก้กรรมได้ผู้เจ้าบอกกรรมแก้ได้ด้วยวิธีเดียวคือมัดปีงแปด วิธีอื่นแก้ไม่ได้นะที่พระเจ้าตรัสว่าอริยะอัฏถังคิกามะนี้นั่นเองคือกรรมะนิโรทการมิหนีปฏิปทาปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมนั้นวิธีแก้กรรมมีวิธีเดียวนะคือตัวนี้มัดแตรกมมตรรมะคือกรรมนิโรคือดับกามไม่หนีปฏิปทาคือปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งกรรมคือมัดแตอันประเสริฐนี่ พเพราะฉะนั้นตั้งแต่สัมมาทิฏฐิถึงสมาสมาธิเป็นวิธีแก้กรรมเพราะฉะนั้นกรรมแก้ได้แต่แก้ได้ด้วยวิธีนี้วิธีเดียวไม่ใช่ไปบางสกุลเป็นบางสกุลตายปรงน้ำมนต์สะเพราะดูเลิกย่างแก้ไม่ได้อันนั้นนั้นอยู่ที่ว่าใครบัญญัติถูกใครบัญญตัติผิดนะ <c oughs> ส่วนการเข้าปริว่านั้นเป็นการแก้กรรมในส่วนสังคติเสศสิบสามข้อกันนั้น ส่วนตามป่าสังขานพิเศษไป น, นั้นอีกเป็นพันๆข้อนั้นสามารถแก้ได้ด้วยวาจา <c oughs> คือเปิดเิดความผิดกับภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็ได้แล้วอย่างนี้เชิญนักการศึกษาครับอยากจะทราบความสัมพันธ์ระหว่างคำดีคำนี้ครับว่า ภาวาก็กรรมฐานาผมได้ยินจากพระเถระท่านผู้ใหญ่ท่านบอกว่ามเป็นสมาธิแบบหนอ๋อนะฮะก็คำว่าอันแรกกรรมฐานเนี่ยผ um ู้เจ้าไม่ได้ใช้กับการปฏิบัติภาวนา เพราะฉะนั้นณนะวันนี้เรามักจะใช้คําว่าวิปัสสนากรรมฐานคํานี้เนี่ยเลิกใช้ไปได้แล้วเพราะพระุทธเจ้าไม่เคยพูดออกจากปาก น, นะพุทธเจ้าไม่เคยตรัสคําว่าวิปัสสนากรรมฐานคําว่ากรรมฐานเคยตรัสอยู่ประสูนย์เดียวตรัสไว้กัมมบมนุษยบอกมานะวะกรรมฐานนังนะมหัาถังมหากิด จ, จังมหาธิกระนังกรรมฐานหรือกรรมฐานังตัวนี้หมายถึงการงานของคลราชกษัตริ์การถการค้าการขาย ไม่ได้เกี่ยวกับการปฏิบัติภาวนานะนั่นนี่คือพระสูตรนี้ดูก่อนมนุษฐานะแห่งการงานมีความต้องการมากมีกิตมากมีที่ก่อนมากคืออะไรมีการไถ่นะการไถการค้านะการข า, า, รายเห็นไนะไปดูบาลีนะมานาวะกรมรมฐานัา ง, ม ห, งมหาถังมหาภิตจางมหาทิกระนังนะเพราะนั้นนี่อันนึงละเพราะนั้นกรมรมฐานเนี่ย ที่เอามาพูดเกี่ยวเรื่อง ก, การภาวนานเนี่ยตัดทิ้งไปได้เลยใช้คําเกินพระเจ้าละนะส่วนคําว่าสมถะพระองค์ใช้คู่กับวิปัสสนาสมถะและวิปัสสนาเป็นชื่อแทนอริยมรรคมีองมคมรรคมีองค์เนี่ยทั้ง8องค์เนี่ยสองข้อแรกคือปัญญาสามข้อกลางคือสินสามข้อท้ายคือสมาธิถ้าพูดยอด่อเหลือสามจะพูดศินสมาธิปัญญาเา น, นะ นั้นถ้าพูดเต็มเนี่ยเอาปัญญาขึ้นก่อนปัญญาศินสมาธิพูดเหลือสาเอาศินสมาธิปัญญาถ้าพูดเหลือสองคือสมถะกับวิปัสสนาเอาสมาธิขึ้นก่อนแล้วตามด้วยปัญญาถามว่าสินหายไปไหนเพราะในขณะที่จิตมีสมาธินั้นกายวาจาไม่ได้ผิดอะไรสินครบแล้วณขณะนั้นจึงไม่ต้องพูดเรื่องศินจึงพูดว่าสมถะกับวิปัสสนาและสมถะไม่ได้เป็นธรรมเด็กๆหรือว่าเป็น ทำที่ไม่สามารถถึงนิพพานได้นะพระองค์ตรัสว่าสมถะนั้นควรกระทําให้มากจเจริญให้มากใครกระทําสมถะามากชื่อว่าลาดเอียงโน้มเอียงเทเอียงไปสู่นิพพานนะและเป็นสิ่งที่ต้องทําแต่ในขณะเดียวกันไปยึดติดไม่ได้นะวิธีที่จะได้ความเป็นอริยคลหลังจากทําสมถะแล้วให้กระทําวิปัสสนาคือตามเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้งห้าต่อไปลองไปดูพระสูตรที่ลูกป้า เรากล่าวความสิ้นอสวะเพระาะอาศัยปฐมฌานบ้านทุติยฌานบ้านตติฌานบ้านเจตุฌานบ้านเพราะนั้นฌานหนึ่งอสาสี่อากาสานัญญานะถึงสัญญาเวทิตะนิโรธเป็นสมาธิเก้าระดับที่พูุทธเจ้าตรัสเอาไว้นะสมาธิก้าระดับนี้ก็คือสมถาะานั่นเองนะใช้เป็นบาทฐานในการเข้าวิมุตต์ได้ทั้งหมดแต่จะเข้าวิมุตตอย่างไรให้เธอตามเห็นการเกิดดับต่อไปนะ เรากล่าวความสิ้นอาสวะเพราะอาศัยปฐมฌานทุติยฌานถึงสัญญาเวทิตแล้วจากนั้นทําอย่างไรต่อไปนะพระองค์กล่าวความสิ้นอาสวะเพราะอาศัยปฐมฌานอาศัยอะไรกล่าวมีเหตุผลนะไม่ใช่กล่าวลอยๆนะพระองค์บอกพิสูจน์สงกัดจากกรารมและกุศลธรรมทั้งหลายเข้าถึงปฐมฌานอันมีวิตกวิจารมีปิติลสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแรอยู่ในปฐมฌานนั้นมีธรรมคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณ เธอนั้นตามเห็นซึ่งธรรมเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นหูวปีเป็นทุกศรนะเป็นของแตกสลายเป็นของว่างเป็นของไม่ใช่ตนนี่คือ2อย่างที่ต้องทํา1คือจิตนิ่งนะเป็นปตมฌาน2ตามเห็นการเกิดดับของขันธ์ข้างหนต่อไปการตามเห็นการเกิดดับก็คือวิปัสสนานั่นเองพระองค์บอกต่อว่าเธอดํารงจิตในวิปัสสนาญาณ เธอดำรงอยู่ในวิปาาัสนาญาณอันมีปตมชาญเป็นบาตรนั้นย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวัตถ้าไม่สิ้นอาสวัตก็เป็นโอปปปาติกะอนาคามนะีนั้นสามารถบรรลุธรรมได้ตั้งแต่ปตมชาญเธอดำรงจิตด้วยธรรมเหล่านั้นแล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตะธาตเห็นไหมได้ตั้งแต่ปตมชาญนั้นบางทีพระสอนเราว่าต้องฌานที่4ถึงจะได้นะก็ไม่เกี่ยวนะฌานที่หนึ่งก็ได้แล้ว นี่คือความไม่รู้พุทธวจนะปั๊บเนี่ยพระจะสอนผิดไปตลอดเลยพระองค์จึงบอกภิกษุถ้าไม่ศึกษาคําพระตถาคตเนี่ยการบอกสอนจพะพลัดหลงไปสู่มิจฉาทิฏฐิโดยไม่รู้ตัวเพราะธรรมะเป็นของลุ่มลึกส่วนอานาปานสตินั้นเป็นมัคคุเทศที่พระองค์สรรเสริญไว้มากพระองค์เรียกอย่างว่าเป็นตถาคตวิหารเครื่องอยู่พระตถาคตเป็นอริยวิหารเครื่องอยู่พระอริยบุคคล เป็นครหมวิหารขึ้น อ, อยู่ของผู้สูงสุดและใช้เป็นตัวอธิบายความการปฏิบัติสติปัฏฐานสี่ถ้าจเจริญอานาปานสติแล้วสติปัฏฐาน4ี่จะบริบูรณ์โคชงเจ็ดจะบริบูรณ์วิชาวิมุตจะบริบูรณ์แค่ดูลมหายใจอย่างเดียวเป็นไปตามลำดับจนถึงวิมุตได้เลยนะเป็นอย่างนี้นะในสี่าำนี้นะฮะเชริญ <c oughs> <c oughs> เปอา่อหารเนี่ยว่าเป็นอาชีวัก็ระสบโครงการรมารลงมีการสนคากาละกเนี่ยเป็นปาเปการออจริงๆถ้าถ้าอาชีพที่ไม่ควรทาเนี่ยค้าน้าเมาค้ายาพิษค้าเครื่องประหารค้าสัตว์มาเป็นอาหารค้ามนุษย์นะก็ไม่มีอาชีพทหารบอกไว้นะอาชีพที่ควรควรหลีกเลี่ยงห้าอย่างเนี่ยไม่มีอาชีพทหาร ซึ่งจริงๆผูเ้เจ้ามีบัญญัติคําว่านักลกนะพระราชานะองค์คาพยพของพระราชาคืออะไรนะพระราชาต้องมีนักลกมีขุนพลใช้กว่าอะไรแสดงว่าคําพูดวัฒหารเนียมีนะในยุคนั้นนะแต่ไม่มีอยู่ในบัญญัติอาชีพที่ไม่ควรทำห้าอย่างนะอันะนะีนะ้เราก็ก็วิเคราะห์กันตามพระสูตรนะเพราะฉะนั้นเราจะไมา่ไม่คิดเกินผู้เจ้าอย่างนี้แต่ทีนี้ ถามว่า <c oughs> การฆ่าดีไหมการฆ่าไม่ดีแน่นอนนะอ น, นั้นมาตรฐานเนี่ยสินห้าระหว่างที่เรายังไม่ได้ฆ่าเนี่ยระหว่างนั้นเราก็รักษาสินห้าได้เราทําสมาธิได้นะัน่นการฆ่าเนี่ยดูองคุลิมาเนี่ยฆ่าคนมาเก้าร้อยกว่าคนบรรลุธรรมได้ไหมได้นะภิกษุฆ่าสัตว์ปรับประบาดอะไรปรับประบาดปราชิตติปลงได้ด้วยหวาจานนิดหนึ่งนะ แต่ถ้าฆ่ามนุษย์ขาดจากความเป็นมรดอย่างนี้ น, นี่ถ้าฆ่ามนุษย์ฆ่ามนุษย์ระดับไหนถ้าฆ่าพ่อฆ่าแม่อนันตเลกกรรมแก้ไม่ได้แก้ไม่ได้ในชาตินั้นนะชาตินั้นเนี่ยไปสูอบายทุกติวิฏิยานระกแน่นอนนะแต่มีสิทธิพ้นกรรมเหล่านั้นได้ไหมได้เช่นพระโมคกลานะเคยฆ่าพ่อแม่มาก่อนผลที่สุดก็มาสําเร็จเป็นพระหลานแต่ยังมีเศษกรรมเก่าก็เลย ถึงจะเป็นพระลานแล้วก็ถูกทุกตีตายอย่างนี้นั้นเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรายัางฆ่าคนไม่ถึงเก้าร้ยกว่าคนไม่เป็นไรนะยังบรรลุทําได้นะเชอน เป็นอยู่มีอยู่ในมีอยู่ในพู้ทวนชนะท่นี้การละมัสูตรเนี่ยเราอ่านไม่ค่อยจะจบกันนั้นเวลาอ่านการละมัสูตรเนี่ยช่วยอ่านให้จบแล้วเราจะได้ข้อยุติว่าอะตกลงจะเชื่ออะไรเพราะเชื่อนี่ก็ไม่ได้เชื่อนี้ก็ไม่ได้ตั้งสิบอย่างนะเหตุผลตามในยักษ์สนิษฐานความตามตามกันมาทําตามตามกันมาโอ้หเยอะแยะหมดเลยใช่ไหมแต่ตกลงแล้วทําอย่างไรนะ ปรากฏว่าพออ่านให้จบเนี่ยพระองค์มีบทสรุปเอาไว้ให้ว่าต้องทําตามหลักความเชื่ออะไรถ้าหลักความเชื่อนั้นเนี่ยทําให้ความโลภโกรธหลงเนี่ยบรรเทาลงและการกระทำสี่อย่างไม่เกิดขึ้นคือการฆ่าไม่เกิดขึ้นการขโมยไม่เกิดขึ้นการประพฤติผิดในการไม่เกิดขึ้นการโกหกไม่เกิดขึ้นให้ทําตามความเชื่อนั้นได้แต่ถ้าสีข้อนี้เกิดขึ้นอย่าไปทําตามความเชื่อนั้นเห็นั้ม บุคคลนั้นไม่โลภแล้วนะความโลภไม่ครอบไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ร่วมเกินประยัพุหรือชักชวนผู้อื่นในการกระทำเช่นนั้นซึ่งเป็นการกระทำเพื่อความสูงเป็นประโยชน์เกือ้อกูลตลอดกาลนานไม่ใช่อยู่อย่างนั้นพระเจ้าค่านะคงจะพูดเรื่องโลภกดหลงและจะปิดท้ายด้วยตัวสินห้าสี่ข้อแรกนะนั้นตรงนี้คือทำตามความเชื่อตรงนี้ได้ ไม่ไม่ได้ดังนะไม่เป็นไรสินห้าข้อสุดท้ายไม่ถูกบัญญัติไว้ในข้อห้าเดือนสุลา ไม่ได้บัญญัติไว้หรอ อ, อ๋อไม่ใช่สินห้าเนี่ยมีบัญญัติไว้และข้อที่ห้าคือการดื่มสุรานี่ยมีบัญญัติไว้เยอะมากนะและเป็นหนึ่งในเครื่องวัดคุณธรรมความเป็นพระโสดาบันด้วยถ้าสินห้าผิดโสดาบันก็ผิดเหมือนกันมันโยงกันไปนั้นถ้าเราไปดูในนี้นะแต่ที่พระองค์นั้นพูดเนี่ยอาจจะเข้าใจอย่างนี้หรือโยงอาจจะจํามาคลาดเคลื่อน <c oughs> ก็คือว่า สินห้าในข้อที่หไม่อยู่ในมรรคมีองแ์8อริมรรคเมีองแ์8ไม่มีข้อห้ามเรื่องดื่มสุราเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องแปลกแปลกเพราะอะไรเพราะว่าการดื่มสุราไม่ขวางการบรรลุธรรมแต่ถ้าทำมากทำบ่อยเป็นไปนเพื่อนรกกมเนชานเปรววิสัยถ้าทำไม่มากไม่บ่อยเป็นเหตุให้วิปลาสนั่นคือวิบากอย่างเบาของผู้เป็นมนุษย์วิบาอย่างหนักคือนรกกมเรชานเปรวิสัยแต่ ขวางกาั้นการหลุดพ้นไหมไม่ขวางมีคนเมาไปฟังพระเจ้าปรรลุธรรมเลยน ะ, เ พ, ะนนย เ, นนเพราะฉะนั้นบัญญัติยากมากเรื่องสินห้าเพราะฉะนั้นพระบางลูกไม่เห็นสินห้าในมัชมัยงแตกก็เลยนึกว่าไม่ได้บัญญัติบัญญัติอยู่แต่ไปบัญญัติที่อื่นแต่ไม่ได้บัญญัติในมัชแปะนะ อ๋ <c oughs> อความดับทุกข์มีสองนัยยะที่เราเรียนกันมาทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกสมุทัยนิโรธมรรคยมสงสัยว่าทําไมความดับทุกข์มันมาก่อนมรรคมันต้องจเจริญมรรกก่อนสิมันถึงจะได้ความดับทุกข์ถูกอยู่เข้าใจถูกอยู่แต่นัยยะของนิโรธนั้นมีสองนัยยะ โยมจริงจะไปเจอพระสูตรบางพระสูตรที่ตรัสว่าทุกสมุทัยมัดแล้ก็นิโรดนะอ่าเรียกว่าอาริสัตแบบพิเศษนั่นคือนิโรดที่ตัดทุกสมุทัยนิโรดมัดนิโรดตัวนี้หมายถึงความดับแห่งขันทั้งห้าคนคนนั้นต้องรู้ก่อนว่าขันห้าเนี่ยมันดับไปได้นะแล้วถึงจะมาเจริญมัด และเมื่อเจริญมรรคเห็นความดับแห่งขนันธ์ทั้งห้าจนชัดเจนแล้วจะได้นิโรธคือนิพพานนิโรธเป็นชื่อแทนนิพพานนี่คือผลของการเจริญมรรคตรงนี้จะใช้นิโรธโดยในยัค ท, ที่สองคือผลของมันแต่นิโรธโดยในยัคแรกมีคนถามพุทธเจ้าคําว่าความดับความดับคือนิโรธนิโรธคือความดับแห่งอะไรพระเจ้าข้าพุทธเจ้าบอกว่าคือความดับแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณคนนั้นต้องรู้ก่อนว่า ขันหนั้นมีโทษคือมีความดับและมาเจริญมาเพื่อเข้าถึงความดับให้เห็นความดับอย่างชัดเจนจะเข้าใจอนัตตาแล้วถอนอุปทานในกองทุกตรงนี้ได้คือทุกข์ศัตร์ในข้อที่หนึ่งแล้วถึงจะได้นิโรธที่เป็นนิยมของนิพพานใช่ไหม ตรงนี้ตอบยากนะอาตมาเชื่อว่ามีไม่มีใครตอบได้ถ้าไม่ศึกษาพุทธวจะนะเพราะเขาจะไม่รู้นัยยะสองนัยยะของคําว่านิโรธนะแล้วตรงนี้ต้องแกะโดยพุทธวจะนะเท่านั้นถ้าเราไปหาคําสาวกไม่มีทางเจอเลยนั่นถึงบอกนะเสียเวลาเปล่าถ้าไปนั่งอ่านคําสาวกนะนะผู้รู้ในขันธ์ห้าใช่ไหม คูเจ้าอธิบายอย่างนี้ <c oughs> ผู้รู้หมายถึงวิชานาติคือผู้รู้แจ้งในอารมณ์ขันห้าเนี่ยความเป็นตัวเราเนี่ยมันมีอยู่ห้าธรรมชาติ 1. คือร่างกายเราเรียกว่ารูปประถันซึ่งจะมีสี่ธาตุคือดินน้ำไฟลมและอย่างที่2คือเวทนาซึ่งจะมีสามอาการคือสุขทุกข์กับอุเบกขาหรืออุทุกขมสุขอันที่สคือสัญญาความจาได้หมายรู้ อันที่สี่คือสังขารความปรุงแ ต, แต่งและอันที่ห้าคือวิญญาณที่โยมถามอันนี้คือตัวที่ห้าคือวิญญาณวิญญาณจะทํางานอย่างไรวิญญาณจะเป็นคนเข้าไปตั้งอาศัยในรูปเวทนาสัญญาสังขารสีร่ท่านนี้ไอ้สี่ท่า น, นนี้ไม่รู้เรื่องอะไรแต่ท่า น, นนี้เป็นธาตุรู้ที่จะเข้าไปตั้งอาศัยในสี่ท่านนี้นะและตัวธาตุรู้ตัวนี้เกิดดับตลอดเวลาเลยนะเกิดดับตลอดเวลาและผู้รู้ตัวนี้ ชาวพุทธก็เข้าใจผิดพระคารว่าดุบาสวาสิกาเราเคยได้ยินใช่ไหมว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดพรุทธเจ้าบอกผิดใครพูดว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดจะถูกพระตถาคตตําหนิว่าเธอเป็นโมฆะบุรุษลองไปดูพระสูตรนี้นะเพราะฉะนั้นไม่มีวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดแล้วเดี๋ยวดูว่าใครเป็นคนเวียนว่ายตายเกิดนะ สัติเป็นภิกษุรูปหนึ่งสาติเกวัตบุตรเขาพูดว่าวิญญาณเวีนไน้ใจเกิดผู้เจ้าเรียกมาสอบสวนและสั่งประชุมสงถามสาติวิญญาณนั้นเป็นอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนั่นคือสภาพที่เป็นผู้พูด ผ, ผู้รู้สึกซึ่งเสวยวิบากแห่งกรรมดีและกรรมชั่วทั้งหลายในภพนั้นนั้นดูเหมือนจะถูกแต่ผู้เจ้าว่างไงโมคะบุรุษเธอรู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแล้วนี้เมื่อแสดงแก่ใครเล่าไหนตถาคตเคยแสดงแก่ใครไหนบอกมาสิ ตอบไม่ได้สาตินั่งนิ่งก้มหน้านะผู้เจ้าบอก <c oughs> เรากล่าววิญญาณว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทธรรมคือเกิดดับเดี๋ยวนี้โดยปริยายเป็นอ น, นมากถ้าเว้นจากปัจจัยปัจจัยแปลว่าเหตุความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณมิได้มีดังนี้ไม่ใช่หรือโมคบุลุนเมื่อเป็นอย่างนั้นเธอชื่อว่าย่อมกล่าวตู่เราด้วยถ้อยคาที่ตนเองถือผิดด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเรายังพูดว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิด ชื่อว่าเรากําลังกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยถ้อยคําที่ตนเองถือวอาผิดนะย่อมประสบสิ่งย่อมขุดตนเองด้วยย่อมประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอมากด้วยข้อนั้นแหละจะเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่เกือ้อกูลแก่เธอตลอดกาลนานแล้วจะไล่พิสูุ์ชื่อสาติออกจากความเป็นพิสูจน์ด้วยนะนะเนี่ยพวกเธอจะสําคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรพิสูจสาสติแกวัตบุตรยังพอจะนับว่าเป็นพระเป็นสงฆ์ในธรรมวินัยนี้ได้บ้างไหม โอ้โหถูกว่ารุนแรงมากเลยสาตินั่งเงียบเลยนะคนเวียนไห้ตายเกิดคือใคร <c oughs> นะคนเวียนไหวตายเกิดคือสัตว์นะไปดูพระสูตรนี้เพราะองค์จัดว่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตำหาเป็นเครื่องผูกแล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัฏบางคราวแล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวแล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้นี่ตัวนี้สัตว์ เป็นคนแล่นไปแล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสาระไม่ใช่วิญญาณผู้เจ้าไม่เคยตรัสว่าวิญญาณแล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสาระเห็นไหมจากโลกนี้สู่โลกอื่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้คือสัตว์แล้วสัตว์คืออะไรมีอีกไปดูข้อสุดนี้นะมีคนถามผู้เจ้าว่าที่ผู้เจ้าพูดว่าสัตว์สัตว์นี่มันสัตว์มันคืออะไรถ้ามันไม่ใช่วิญญาณนะพระองค์ตอบอย่างนี้ราธาน ความพอใจอันใดราคาอันใดนันทิแปลว่าความเพลินตั้นหาแปลว่าความอยากอันใดมีอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารทั้งหลายและในวิญญาณเพราะการติดแล้วข้องแล้วในสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว์ดยงนี้ไอ้เจ้าสัตว์นี่แหละมันไปติดวิญญาณมันไปติดรูปเวทนาสัญญาสังขารมันไม่ใช่วิญญาณนั่นมันคนละตัวกันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสัตว์คือสิ่งสิ่งหนึ่งสิ่งสิ่งหนึ่งในที่เนี้จริงๆแล้ว มันคือวิมุต tn ั่นเองมันคือวิมุตมันคือสิ่งสิ่งหนึ่งที่เข้ามาหลงขันห้าเพราะฉะนั้นในช่วงแก๊บเวลาที่มันเข้ามาหลงในขันห้าเนี่ยมันถูกนิยามเรียกว่าสัตว์และเมื่อมันปฏิบัติมรตแปดจนอวิชาหมดไปวิชาเกิดขึ้นแล้วเจ้าสัตว์ตัวเนี้จะถูกเรียกใหม่ว่าวิมุตติญาณทัศน์คือผู้รู้ในวิมุติเพราะฉะนั้นเวลาพูดต้องชี้ไปเลยว่าผู้รู้อะไร วิญญาณหรือวิมุตติยานทัศนะหรือพัะสัตวอย่างนี้นะไม่ฮันเราจะงงแยกไม่ได้นันบางทีสาวกเราเนี่ยเราไปหาพระก็บอกผู้รู้ผู้รู้แล้วผู้รู้อะไรตัวไหนมันคลุมกว้างมากนะต้องชี้ลงไปเลยอย่างนี้เพราะนั้นเราก็เรียกใหม่ได้นะว่าสัตว์เป็นผู้เวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่วิญญาณนะเชือไเงาะลกสวรรค เ อ, อความจริงเป็นยังไงก็คือ <c oughs> มันเป็นมันเป็นพบเป็นสถานที่เกิดของสัตว์ผู้มีวิชาเป็นเครื่องกั้นเนี่ยที่ลั่นจากโลกนี้สู่โลกอื่นโลกอื่นๆเยอะแยะนรกกัมนเนรชานเปรววิสัยมนุษย์โลกเทวโลกรมโลกปีนี่คือคติห้าทางไปของสัตว์นะเยอะแยะเลยพบเนี่ยเต็มไปหมดนะที่ไปเพราะฉะนั้น พระสงฆนบัณเท่านั้นที่จะพ้นแล้วจากนรกในเดชะหรือเปลวิสัยที่เหลือเนี่ยไม่มีความแน่นอนเพราะฉะนั้นในในพระสูตรที่สัตว์ผู้มีวิชาลองไปดูพระเจ้าจะเปรียบเหมือนการซัดท่อนไม้ขึ้นไปในอากาศบางคราวก็เอาโคนลงบางคราวเอาท่ากลางลงบางคราวออกปลายลงนะนั้นสัตว์ผู้มีวิชาก็จะแล่นไปท่องเที่ยวไปอย่างนี้บางคราวก็ไปเป็นเดนชะบางคราวก็ไปเป็นสัตว์นรกบางคราวก็มาเป็นมนุษย์บางคราวก็ไปเป็นเทวดาเป็นผงทุกเราเคยเกิดมาแล้วกันทั้งหมด ผู้จ่าบอกเธอเคยเกิดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่หญิงน้องหญิงพี่ชายน้องชายเคยเกิดเป็นคนพิการเคยรวยมาแล้วตลอดการยาวนานเคยจนมาแล้วตลอดการยาวนานน้ําตาที่เธอเคยร้องไห้มากกว่าน้ําในมหาสมุทรทั้ง4เลือดที่เคยไหลออกจากคอเธอเพราะเธอเคยถูกตัดคอก็มากกว่าน้ําในมหาสมุทรทั้ง4ี่เคยถูกตัดคอเพราะอะไรเพราะเธอเคยเกิดเป็นแพะแกะไก่สุพรรณช้างโคม่าหลาเราเคยเกิดมาสารพัดอย่างหมดแล้ว ผู้เจ้าจึงบอกให้เบื่อในสังสวรวัตนี้กองกระดูกนี้ถ้ามากองกันเนี่ยมากใหญ่มากกว่าภูเขานั้นนี่คือสังสวรวัตรแต่ไม่ต้องไปสนใจเพราะอะไรเพราะไม่ว่าจะอยู่ในพบใดก็ตามตายหมดเทวราตายกรมตายเดรชานตายสัตว์นรกตายเปลววิสัยตายมนุษย์ตายปัญหาคือว่าทำยังไงจะไม่ตายผู้เจ้ามาแก้ปัญหาตรงนี้ทั่วโลกธาตุตายหมดไม่ว่าจะเกิดตรงไหนตาย เพราะฉะนั้นผู้เจ้าเนี่ยประกาศสัจจากความจริงว่าเราไม่ได้อยู่ในระบบชีวิตมนุษย์แบบเดียวแต่มีระบบชีวิตแบบอื่นอีกเยอะแยะไปหมดเลยแต่ล้วนเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายทั้งสิ้นนั้นเทวดาปรมก็แก่เจ็บตายเหมือนกันนั้นจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปอ้อนวอนบนบา น, บ น, บ น, บนสารกล่าวหรือว่า กระทำอะไรนะเราก็เป็นเพื่อ น, นร่วมแต่แก่เจ็บตายด้วยกันทนั้ น, น, นถ้าเราต้องการเกี่ยวข้องกับเขาก็คือพุทธิบุญภุสุนให้กับเขานั่งสมาธิแผ่เมตตาให้เขานะให้เขาได้พบอริสัตถให้เขาได้หลุดพ้นจากความแก่เจ็บตายเพราะจริงๆทุกคนเนี่ยมีวิมุติอยู่ในตัวหมดคือมีสภาวะธรรมที่เป็นนิพพานอยู่ในตัวแต่กลับเข้าไปหาสภาวะธรรมเดินตัวเองไม่ได้เพราะยังพอใจในขันธานั่นเอง นั้นตราบใดเราพอใจในขันท่าผู้เจ้าบอกเมื่อรูปตายเธอจะตายไปตามรูปเมื่อวิญญาณดับเธอก็จะดับไปตามวิญญาณจึงมีใครตายมีอะไรตายประเด็นคือตรงนี้นั้นผู้เจ้าเกิดมาแก้ปัญหาตรงนี้นะนั้นลนโลกสวรรค์มีนะอืาอ่า้ปฏิกา อาฮะอ่าฮอ่อ่าฮะอ่รฮ่าฮะอ่าฮะอ่าาฮะก่าฮะ่าฮอ่าฮะอ่าอ่าฮะอ่าฮะบบการเกิดฮะอ่าอ่าฮ่าฮนอ่อ่าฮะาะออ่อ่อ่อาะอ่อา่อะาะา่ะอ่ นะนะคือการเกิดในคันการเกิดในไข่นะการเกิดในของเปลือกตมนะแล้วก็โอปปาติกะคือผุดขึ้นเป็นตัวมาเลยถามว่าโอปปาติกะมีอยู่ในพบใดบ้างมนุษย์บางพวกเทวดาบางพวกเปรตบางพวกมันเป็นชื่อของระบบการเกิดพระอนาคามีก็เป็นโอปปาติกะคือผุดขึ้นมาเป็นตัวเลยซึ่งจะเกิดในพรมชั้นสุทาวาสน่นะ เปลืบางพวกก็เป็นระบบการเกิดแบบผุ่นขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นเราจึงเคยได้ยินโอปปาติกะทั้งความเป็นเปรืและความเป็นนาคาเมนะีนั้นอย่างในพสัสดุ์เมื่อกี้นะถ้าไม่สิ้นอสาาวรก็จะเป็นโปปปาติกะนาคามีเห็นไหมนั้นถ้าเราไปได้ยินแต่เปรตอกอ่ะทำไมนาคามีไปเป็นเปลืเนาะไม่ใช่เป็นระบบการเกิดนะนั่นนี่คือความเป็นสัพพัญญูของผู้จ้างซึ่งรู้ทั่วโลกภพนะว่าอะไรเกิดอะไรยังไง รู้หมดและมนุษย์นี่จริงๆมีสี่ประเภทมนุษย์พวกเราอย่างนี้เรียกว่ามนุษย์ในชมภูทวีดทวีดของพระเจ้าเนี่ยหมายถึงโลกธานุนะมนุษย์ในอุตรลกรุลทวีดมนุษย์ในอมรโคยานทวีดมนุษย์ในปุพพาวิเทหทวีดมนุษย์ในบางทวีดนี่ยจะเป็นไงมีอายุลวดเดียวเลยเช่นร้อยปีตายไม่ตายในระหวา่างนั่นเป็นมนุษย์อีกพวกหนึ่ง เพราะนั้นของเราเนี่ยมีตายในระหวา่างไม่ใช่มนุษย์ประเภทนั้นแน่นะอย่างนี้และจะมีการเปรียบเทียบระหว่างความสามารถของมนุษย์กับความสามารถของเทวดาเทวดาดีกว่ามนุษย์ยังไงและมนุษย์ดีกว่าเทวดายัางไงเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราอยากไปเป็นเทวดาเพราะเขาดีกว่าเราก็มีดีกว่าเทวดาเหมือนกันเช่นเป็นผู้มีสติอย่างนี้นะเป็นผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์ได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นผู้มีความกล้าหาญ นี่คือความสามารถของมนุษย์ที่ดีกว่าเทวดาชั้นดาวดึงนะแต่เทวดาชั้นดาดึงก็ดีกว่าในเรื่องของอายุอันเป็นทิพยนะ์การได้ของอะไรต่างๆอันเป็นทิพย์เนี่ยนะเขาได้อะไรที่ปราณีตละเอียดแล้วก็อายุที่ยืนยาวกว่าเรานะส่วนในเรื่องของการแนะนำผู้ที่จะไปงานศพทั้งหลายนะที่เดี๋ยวนี้ เ, าเราต้อง ไปงานศพไปเรื่อยๆนะเริ่มมีการจากไปแรกๆก็ไปงานแต่งตอนนี้เริ่มไปงานศพการมาประชุมกันเนี่ยในงานศพเนี่ยต้องมีการประชุมกันของญาติเรือญาติคนรู้จักเวลามีคนมาประชุมกันแล้วพระตถาคตให้ทำอะไรให้ทำสองอย่าง 1. น, นั่งนิ่งอย่างพระอริยเจ้าทาสมาธิไป 2. กล่าวธรรมหรือเชื้อเชิญให้ผู้อื่นกล่าวถ้าเราแสดงทำเองได้แสดง ถ้าแสดงไม่ได้เชื้อเชิญให้คนที่แสดงได้กล่าวธรรมาเขาจะได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังเขาจะจัดเป็นปุถุชนผู้ได้สดับในธรรมขึ้นมาคนที่ไปในงานจะได้เป็นปุถุชนผู้ได้สดับในธรรมซึ่งมีโอกาสที่จะบรรลุธรรมได้ตลอดเวลานะถ้าเขาได้สดับในธรรมเพราะความเป็นสาวกไม่สามารถรู้ธรรมะตรงนี้เองได้ต้องมีการได้ยินได้ฟังธรรมแม้เพียงหนึ่งบทขอบทเดียวนะแล้วเข้าใจ น de e ั่นก็ให้ม uh ีการแสดงธรรมดีที uh ่ส huh. ุดแล้วก็ให้แสดงพุทธวจนานะจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องให้ธรรมาเข้าไปอยู่ติดหนังสือกุโจจะน่าไปกันได้อ่าอ๋ออ๋อก็การ ดีไม่ดีหรือไปที่ชอบไม่ชอบเนี่ยมันอยู่ที่เหตุปัจจัยของคนคนนั้นวัดฉาเคยถามผู้เจ้าว่าเมื่อกายนี้แตกทําลายแล้วยังไม่ได้กายใหมอ่อะไรเป็นเหตุปัจจัยของการไปได้กายใหม่ไม่ใช่ยยมประมาลลากเราไปได้กายใหม่มันก็ทําอย่างนั้นไม่ได้ตัณหาของเราเองเป็นตัวลากไปผู้เจ้าบอกวัดฉาตัณหาเป็นเชื้อของการเกิดใหม่ที่จะนําพาเราไปสู่อัตภาพใหม่ เพราะฉะนั้นโทษใครไม่ได้นะถ้าโยมไปเปรตวิสัยหรือเดรัจฉานหรือสัตว์อารมณ์เพราะเราเลือกเองเป็นความอยากของเราเองอยากเราเองเพราะอะไรทั้งๆ ท, ท, ที่เราบอกเราไม่อยากแต่เพราะเราไม่ละอกุศลจึงเกิดอนุสัยความเคยชินในการน้อมไปสู่อารมณ์นั้นเพราะนั้นเวลายมนั่งสมาธิสัก5นาทีอย่างเงี้ยจิตมันคิดไปปุ๊บ ป, ป, ป, ปุ๊คุมไหวไหมคุมยากเห็นนะแล้วมันคิดเป็นนึกเรื่องอะไรอกุศลก็มีกุศลก็มีอ่ะโยมไม่ได้อยากคิดอกุศลทํำไมมันไปคิดเพราะโยมเคยชินไง ปัญหาคืออย่างนี้ผู้เจ้าจึงให้รักอนุสัยความเคยชินเสียนะด้วยการดึงจิตกลับมาอยู่ที่กายของเราให้มากอย่างนี้ตั้งไว้ซึ่งกายยัคตาสติมันจะเป็นเหตุให้ตัดอนุสัยความเคยชินเดิมๆออกเสียได้เข้าใจไหมนี่มันเป็นอย่างนี้นั้นเราไม่ได้อยากไปหลอดแต่เพราะเราไม่ทิ้งอกุศลมันเลยพาเราไปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเวลาอกุศลเกิดขึ้น พระศาสดาจึงบอกว่าให้เธอรีบละให้เร็วที่สุดประดุดมีไฟกำลังไหม้ลุกโรงเสื้อผ้าเธออยู่หรือไฟไหม้ผมบนศรีรษะนั้นถ้าเราไปดูพระสูตรนี้พูะเจ้าจะเน้นย้ำมากว่าเธอต้องใช้ฉันทะวายามะอุสาหะอุโสลหีอปติวานีสติสัมปัจชะอย่างแรงกล้าเพื่อที่จะละอคุณสนเสียโดยด่วนเปรียบเหมือนบุรุษมีไฟไหม้ลุกโลงเสื้อผ้าหรือไฟไหม้ผมบนศรีรษะ ต้องรีบตับไม่มีใครนั่งนิ่งอยู่ได้ต้องรีบตับเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเราหลุดไปคิดเรื่องอะไรเนี่ยนั่นคือพบสถานที่เกิดของเราแล้วนะจิตหรือวิญญาณหรือผู้รู้ไปเกิดตรงนั้นแล้วนะที่พระเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าเธอคิดถึงสิ่งใดดำ่ริษถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณวิญญาณมันตั้งขึ้นได้แล้วตรงนั้นนะนามธรรมาและณเวลานั้นจิตหลุดวิญญาณขานันหรือจิตหลุดจากกายของเราออกไปแล้วขณะนั้นชื่อว่าเราตายแล้วณวินาทีนั้นพระเจ้าจึงบอกว่าถ้าเธอหลุดออกจากกายเนี่ยคือหลุดเอาจิตหลุดออกจากกายไปคิดเนี่ยเปรียบเหมือนเพชฌฆาตเนี่ยเอาดาบฟันคอเธอขาดไปแล้วแล้วมันจริงๆมันเป็นอย่างนั้นถ้ายยงหัวใจวายตรงนั้นปุ๊บ นั่นคืออัตภาพใหม่ของโยมที่โยมกลำลังไปนั่งคิดอยู่เพราะฉะนั้นเวลาคิดอกุศลถึงต้อทิ้งให้หวที่สุดนะเพื่อไม่ให้เกิดอนุสัยความเคยชินนั่นเองนะเข้าใจไหมนั้นอันนี้ยืนยันโดยคําพระธรรมโคดังหมดนะอันนี้จะเป็นเรื่องของถ้าบุคคลย่อมคิดถึงสิ่งใดอยู่ย่อมําเนิถึงสิ่งใดอยู่และย่อมมีจิตปักลงไปในสิ่งใดอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญ ญ, ญาณ เมื่อเรามีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งว yeah. oh. ิญญาณย่อมมีเม tamam. ื่อวิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะแล้วเจริญรอบน้ําแล้วการก้าลงแห่งน้ําทผู้เจ้ามีนะชาติชราวรนะก็ตามมาเป็นอย่างนี้นั้นทุกขณาแห่งความคิดสําคัญมากนะนั้นต้องจึงต้องมีสติระลึกได้กลับมาอยู่ที่กายตลอดผู้เจ้าเรียกกายยขตาสตินะเอาจิตตั้งอยู่กับกายให้มากงานทางโลกเราก็จะดีด้วย ถ้าเราตั้งจิตยอยู่กับกายงานทางธรรมเราก็จะได้ด้วยเพราะเราจะไม่เพลินกับอารมณ์เป็นการละนันทิคือความเพลินละการผูกจิตติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินนั่นเองออสองคนนี่นแหละละกันเ้ย 4คู่แบุรุษอ๋อถูกต้องสนะฮะคู่คือโสดาสกิทาคานาครับหลานาส่วนแปบุรุษคือโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลมีมักกับผลทั้งคู่จึงเป็น8บุรุษ มีผู้เจ้าไม่เคยบัญญัติว่าถ้าจะเป็นจะเป็นพระหลานจะต้องจะต้องเป็นนักบวชแต่จิตจะน้อมไปเพื่อการบวชนะแต่ไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นนักบวชอย่างเช่นภา ย, ยะก็สําเร็จในขณะที่เป็นฆราวาสนะและเมื่อตายไปแล้วสาวกก็มาบอกว่าเออฆราวาสคนนั้นน่ะที่ขอฟังธรรมผู้เจ้าตอนบินฑบาทนะถูกวัวผิดตายแล้วผู้เจ้าก็เลยบอกให้เอาไปเผาแล้วสร้างเจดีย์ให้ สาวพก็บอกทำไมต้องสร้างเจดีย์ด้วยบอกพายะปรินิพานแล้วนะอ่ะอาก็อา่าอ่าโยมก็ถามกขบอกว่าเาอ่านหนังสือบางเล่มเนี่ยบางเล่มก็บอกว่ากายสังขารของความเป็นกะลาวันไม่สามารถรองรับความเป็นหลันได้เราถามก็เลยว่านี่เป็นพุทธวจนะไหม ขอคำพระาตาตากดยินยันหน่อยเขาจะหาไม่ได้นะอย่างนี้ <c oughs> ความแตกต่างของอรันต ส, สัมมาสัพพุทธเจ้าเนี่ยกับพระปัจเจกพุทธเจ้าต่างกันตรงที่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนแต่พระปัจเจกไม่สอนไม่สอนไม่มีลูกสิ์นะ แต่เหมือนกันตรงที่ประสรู้เองไม่ต้องได้รับการถ่ายทอดบอกสอนจากไครใช้ความสามารถตัวเองนะรู้อริสสีได้แค่นั้นเองนั่งนั้นเหมือนกันเช่น ถือได้อย่างไรว่าเป็นพุทธมจนะมีการสังคายนาไหมมีการสังคายนาพระไตรปิฎกมาตลอดและการสังคยนานั้นคืออะไรคือการสวดขึ้นในคําพระตถาคตคือการพยายามทรงจําคําพระตถาคตให้ได้แต่ทุกครั้งที่มีการสังคยนาก็มีการแถมคําสาวกเข้าไปด้วยทุกทีเลยเพราะฉะนั้นโดยหลักการของสังคายนาแล้วขัดกันเอง นนในครั้งแรกที่พระมหากัส ป, ปะสังขัญนาไม่มีคำสาวกมีแต่คำพระพุทธเจ้าเพราะพระเจ้าไม่ให้เยี่ยวหูลงฟังไม่ให้ตั้งจิตก็จะรู้ทั่วถึงไม่ให้สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษากเรียนในสาวกภาสิตาคือคำที่สาวกภาสิตธิ์ขึ้นเพราะฉะนั้นไม่มีสาวกของพระเจ้ารูปใดจะมาจําคําสาวกนะนอกจากสาวกที่พูดแล้วพระเจ้ารับรองนะสำหรับบางรูปเท่านั้นอย่างนี้ นั้นเขาจะจําแต่คําพุทธเจ้าเมื่อพุทธเจ้าปรินิพานแล้วอานนท์จำอะไรที่พุทธเจ้าพูดได้บ้างพระมหากัรสป่าจาอะไรได้บ้าง น, นะแต่ละท่านจําอะไรได้บ้างพูดขึ้นมาในที่ประชุมนี้สิพระหลานทั้งห้าร้อยแล้วทั้งห้าร้อยเนี่ยใครไม่ได้ติดตามพุทธเจ้าไปที่นั้นที่นี่จะได้ทรงจํากันไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะผู้เป็นสัพพัญญูปรินิพานแล้วไม่มีใครมาตอบคำถามเราแล้วและพุทธเจ้าก็บอกแล้วว่าคําของพระองค์สมบูรณ์แล้วอย่างนี้เห็นนะ เพราะนั้นเขาจะพยายามจำำําคําพระเจ้าให้ได้มากที่สุดไม่ใช่มาจําคําของคนอื่นและถ้ายมใช้การทรงจําโดยไม่มีการบันทึกข้อดีอย่างหนึ่งคือมันจะสะกรีนข้อมูลผิดออกออกไปมันจะไม่จําข้อมูลผิดแต่ถ้ามีการบันทึกเนี่ยผิดถูกช่างมันเดี๋ยวเข้าไปตรวจนะมันจะบันทึกไปเรื่อยนะแต่ถ้าจําแล้วเนี่ยอันนี้พระเจ้าปอกแนวบอกมันจะสะกรีนตั้งแต่ชั้นแรกเลยว่าถ้าไม่ใช่คําพระเจ้าไม่จําแน่นอนไปจําทําไมเสียหัว ใช่ไหมเนี่ยและเราสามารถตรวจได้เช่นปฏิจจสุบารอัตมาก็อธิบายหลายๆครั้งนะว่าเป็นสิ่งที่ตรวจได้เป็นปัจจตังนะเช่นว่าโยมไปเดินห้างวันนี้โยมก็สามารถตรวจได้เวลาเราอยากจะซื้อเสื้อสักตัวหนึ่งหรือแก้วสักใบถามว่าทำไมเราอยากซื้อเสื้อตัวนี้ไม่อยากซื้อเสื้อตัวอื่นใช่ไหม นั้นถ้าเราถามเหตุปัจจัยของตัวเราเองว่าก่อนความอยากซื้อเสื้อตัวนี้เกิดอะไรเกิดนั่นคือเราต้องมีความพอใจเสื้อตัวนี้มาก่อนนะความพอใจต้องมาก่อนความอยากจึงตามมาแล้วถ้าถามสาวต่อไปว่าก่อนเธอพอใจเกิดอะไรเกิดตาต้องไปกระทบรูปก่อนตาต้องไปเห็นเสื้อแล้วเกิดความพอใจแล้วจึงเกิดความอยากขึ้นมาราตมาอธิบาย ธรรมะนี้ให้อิสลามอิสลามยังชอบเลยบอก ม, มันถูกเนาะเพราะอิสลามก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจฝรั่งก็มีไม่มีใครในโลกเถียงตรงนี้ได้ผู้เจ้ายืนยันเลยว่าปฏิจจสุบาตมันคืออาการจิตของมนุษย์ทั้งหมดไม่มีสมณะเทพมารปรมใดๆคัดง้างหรือติดเตียนทำผู้ตรงนี้ได้เลยนั้นปฏิจจสุบาต เมื่อ 2,000 กว่าปีมนุษย์ก็มีอาการกิตอย่างนี้เหมือนกันคือตากระทบคู่หูกระทบเสียงปั๊บจะเกิดพอใจไม่พอใจจะเกิดอยากจะเกิดยึดจะเกิดพกชาติชลาโมนะตามมานั่นตรงนี้เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ผ่านมา 2,000 กว่าปีมนุษย์ก็จะมีอาการเหมือนเดิมการเวลาไม่ได้ทําให้ระบบธรรมชาตินี้เปลี่ยนแปลงไปเลยธรรมะนี้จึงถูกเรียกว่าอากาลิโกถูกต้องตรงจริงไม่ถูกจํากัดด้วยการเวลานะ และเป็นปัจจตันคือรู้เฉพาะตนได้และเป็นสิกขีภูโตโคือเป็นพยานในตนเองได้ไม่ต้องอาศัยการเชื่อหรือการฟังต่ตางๆกันมาเพราะฉะนั้นโยมบอกเอ๊ะมันเชื่อได้ไหมตรวจเลยต้องตรวจและไม่ต้องอาศัยแบบวิทยาศาสตร์คือต้องมีอุปกรณ์อะไรกายวาจาจิตของเราครบในการตรวจสอบทุกคนตรวจได้นะหรือพระเจ้าบอกว่าโสดะบันจะเห็นว่าวิญญาณจะวนไปในรูปเวทนาสัญญาสังขารโยมลองนั่งสมาธิสักนาทีก็ได้โยมจะเห็นเลยว่าจิต ปุ๊บไปคิดเรื่องอดีต เ, เราดึงกลับมาปุ๊บเดี๋ยวไปคิดอนาคตนะดึงกลับมาเดี๋ยวปุ๊บไปพอใจไม่พอใจมันจะวนอยู่แค่สี่ธาตุนี้ครูเจ้าบอกโสดาบันจะเห็นเลยว่าวิญญาณไม่เวียนเลยไปจากสีธรรมธานเหล่านี้นี่โสดาบันกูคน ล, ละ่ะเห็นนะเข้ามารู้กระบวนการทํางานของวิญญาณขันธ์กับรูปนาม น, นั่นเองนะนั้นสิ่งนี้ตรวจสอบได้หมดเลยคําพระตถาคตนี่นะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะมาผิดจะมาถูก เราตรวจเลยนะแล้วจะมีความศรัทธาในคําตถาคตมากขึ้นนะส่วนว่าศาสนาใดๆก็ดีหมดไม่ใช่คำกล่าวของผู้ชายเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นไม่การันตีว่าทุกลทัทธิดีหมดนะผู้เจ้าก็บัญญัติอยู่ว่าพระองค์ไม่ได้ตำหนิการบูชาไปเสียตะพืชหรือการบาเพ็ญตะบะไปเสียตะพืชยังมีเทวดาคนนึงมาขอฟังธรรมผู้เจ้าผู้เจ้าบอกอ น, นุ์ เทวดาคนนี้เคยเป็นเจ้าลัทธิปริพาชกลัทธินั้นลัทธินี้มาก่อนเห็นไนหะปริพาชกบางคนตายไปแล้วก็เข้าสู่สุคติโลกสวรรค์เหมือนกันเพราะเขาก็มีคุณงามความดีเหมือนกันนะเพียงแต่ยังหลุดพ้นเข้ามรรคผลนิพพานไม่ได้นเพราะฉะนั้น <c oughs> การบูชาใดหรือการบำเพ็ญตะบะใดที่ทำให้แพะแกะไก่สุกรช้างโคม้าล้มตายนั้นการบูชานั้นเป็นไปเพื่อ นรกกัเนจเดชานเปลีวิสัยแต่ถ้าการบูชาใดทาไม่ทำให้แพ้แก่กายสุกรช้างโคมาล้มตายนั้นเป็นไปเพื่อสู่ติโลกสวรรค์พระองค์แยกอย่างนี้และพระองค์บอกอีกว่าถ้าเธอยังไม่มีศาสดาเดียวยังไม่มีศาสดาไม่นับถือใครยังไม่นับถืออะไรมีวิธีเลือกไหมมีบอกเอาความดีที่ศาสดาแต่ละท่านเนี่ยเห็นตรงกันเอามาเปรียบเทียบกันถ้าศ า, า, าสดาศาสาใด ประทำประพืชความดีที่เห็นตรงกันได้มากกว่าศาสดาอีกองค์หนึ่งให้ไปเลือกนับถือศาสดาองค์ที่ทําความดีที่เห็นตรงกันได้มากนั้นให้เป็นนับถือคนนั้นไม่ได้บอกว่าจะต้องมาหาพูะเาแต่ไปเช็คดูว่าคนไหนทําความดีได้ละเอียดละออ ก, กว่ากันเช่นว่าการพูดดีของพุทธมีไหมมีของลทัทธินี้มีไหมมีลทัทธิมีนี่ก็บอกพูดดีดี การพูดดีของพูดมีกี่แบบการพูดดีของเขามีกี่แบบการพูดดีของเราเช่นสัมมาวาจาสไม่พูดโกหกคำหยาบเพ้อเจ้ส่อเสียดอย่างอื่นมีไหมมีการพูดที่ผู้รู้ใดๆติเตียนไม่ได้พูดควรแก่การพูดตามเป็นจริงพูดอ่อนหวานพูดประกอบด้วยประโยชน์พูดด้วยเมตตาคําพูดของบุคคลผู้ควรเป็นทูดมีอีกเห็นไหมต้องรับฟังผู้อื่นนะต้องทําให้ผู้อื่นฟังตนนะกำหนดจิตฟังนะการทรงจําดี นะรู้จักต่อประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ไม่ชวนทะเลาะหูหลักการพูดพระเจ้าเพียบเลยเต็มไปหมดเลยเยอะมากนะสมาธิถามเขาตั้งใจมั่นดีไหมกับคนฟุ้งซ่านเขาบอกเออสมาธิตั้งใจมั่นต้องดีสิฟุ้งซ่านไม่ดีสมาธิของเธอมีกี่แบบสมาธิของฉันมีกี่แบบสมาธิของเรามีเก้าระดับตั้งแต่ปฐมฌานถึงสัญญาเวทิตตันนิโรธบอกคุณสมบัติละเอียดละ อ, อ่อทียิบของเขามีกี่แบบมีอะไรบ้าง ตั้งใจมั่นของเขาเนี่ยเอามาเปรียบเทียบกันนี่นวิธีในการเลือกศาสดาเช่น <c oughs> <c oughs> อ๋อ่เอเอ่ะเอ๊ยกใช่นามสกุลผลปูนไหมอ๋อใช่เนะอะคนคุณนเอ่อาการที่คนจะตายเนี่ยนะ <c oughs> ใช้คำสอนพระศาสด า, า, าตัวนี้ถ้าเขาเหลือเวลาน้อยแล้วเนี่ยผู้ชบอกว่า ให้เขาเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะรอคอยการทํากาละนี้เป็นอนุสาสนีของเราสําหรับพวกเธอทั้งหลายมีสติรอคอยการตายทีนี้มีสติทําอย่างไรพระองค์อธิบายสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่พระองค์อธิบายด้วยอะไรด้วยการรู้ลมหายใจเขาออกเป็นอย่างเดียวแค่ให้เขารู้ลมหายใจเขาออกไวแค่นั้นเองอย่าให้จิตเคลื่อนออกไปคิดเรื่องอะไรไม่ต้องไปนึกเรื่องทําความดีทอดก็ตินว่าป่าอ ะ, ะไรมาละใบต้อง อยู่กับลมหายใจสุดยอดของกุศล น, นะเพราะครูเจ้าบอกว่ากุศลที่แท้จริงคืออะไรกุศลาสีที่แท้จริงคือสติปัฏฐานสีคือตัวกองกุศลที่แท้จริงนั้นขณะที่เขาอยู่กับลมหายใจเนี่ยคือเขาอยู่กับกองกุศลที่แท้จริงแล้วเขากําลังจะได้ความเป็นอริยบุคคลนั้นอยู่กับลมหายใจพระองค์ให้อยู่จนลมหายใจสุดท้ายของชีวิตนะไม่ต้องไปทําอย่างอื่นทําแค่นี้ง่ายๆ อย่างนี้นะจริงๆมีหลาย็สุดแต่เดี๋ยวเขาจะสับสนกันนะเอาอยู่กับลมเนี่ยคือสุดยอดเพราะผู้เจ้า ส, สันเสริญตัวนี้มากจริงมีมักวิธี5าอย่างที่บุคคลผู้เป็นไข้หรือทุพพลภาพถ้าไม่ห่างจาก5าวิธีนี้ผลที่เขาหวังได้คือพรล ะ, ละหลานในปัจจุบันหนึ่งพิจารณาความไม่งามของกายสองพิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารสามวางความพอใจในโลกทั้งปวง 4. เห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งหลาย 5. มรณะสัญญาอันเขาตั้งไว้ไว้ดีแล้วในภายในให้เขาเห็นการเกิดดับในภายในนี้คือ5วิธีถ้าบุคคลใดไม่ห่างจาก5วิธีนี้ผลที่หวังได้คือลราหลานในปัจจุบันก่อนตายนะและโยมจะให้เขาได้ยินได้ฟังคำผู้เจ้าก่อนสิ้นชีวิตก็ได้จกได้อ น, นิสงส ตามที่ผู้เจ้าบัญญัติไว้6ประการก็คือว่าถ้าเขายังละสังโยชน่าไม่ได้เขาจะละได้ถ้าเขาละสังโยชน่าได้แล้วจะได้เป็นพระหรหันต์แบ่งเป็น2กลุ่ม2กลุ่มนี้มี3มลักษณะที่เหมือนกันคือ 1. ได้ฟังจากพระศาสดาโดยตรง 2. ได้ฟังจากสาวกที่นํำคำศาสดามาถ่ายทอดเราเป็นสาวกเอาคําศาสดาไปถ่ายทอดให้เขาได้นิสงเท่ากัน 3. ตัวเขาเนี่ยระลึกถึงบทแห่งธรรมของพระศาสดาได้เองสามอันนี้ถ้าเขาระลึกได้ก่อนตายเขาจะได้เป็นพระอนาคามีหรือพระอรหันตบุคคลนะพ้นจากกบายได้แน่นอนเพราะนั้นอนุสาสนีปริหารของพระเจ้ามีอ น, นิสงส์มากนะอนิจจัตไว้กับพระอานนท์ซึ่งพระองค์เนี่ยไปให้ธรรมะกับพระภิกษุรูปหนึ่งก่อนสิ้นชีวิตนะ บอกปารุณนะพอทนไหวไหมปารุณะบอกทนไม่ไหวพระเจ้าค่ะเจ็บท้องมากปวดหัวมากบอกปารุณนะตั้งใจฟังธรรมนะจากนั้นก็พระองค์ก็แสดงธรรมแสดงเสร็จแล้วก็กลับไปพระอรลบอกว่าหลังจากพระผู้มีพระภาคเจ้ากลับไปได้ไม่นานพระปารุณะก็ทําการลนลงแต่เฉวิวันของสายยิ่งนะักพระเจ้าบอกไม่ผ่องสายได้อย่างไรก่อนเขาได้ยินได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าเนี่ยเขายัางละสัญญา้าไม่ได้ แต่หลังจากได้ยินคําตถาคจน์แล้วเขาละสังโยธาได้แล้วเพราะฉะนั้นพระปัจุณณาได้เป็นอนาคาหมีบุคคลนะและพระเจ้าจึงตัดอ น, นิสงส์6ประการของการได้ยินได้ฟังคําศาสดาก่อนสิ้นชีวิตและการบรรลุธรรมตรงนี้ไม่ต่างอะไรกับผู้ที่บรรลุธรรมแล้วแม้ร้อยปีได้เท่ากันนะนี่คือสุดยอดเพราะนั้นอนุสาสนีย์ปฏิหารของพระพุทธเจ้าคําระพุทธเจ้าไม่ใช่คําสาวกไม่ใช่คําอื่นคำพระตถานคตน์ เดยวอ่านให้คุณพ่อฟังเรื่อยๆก็ได้นะอ่านไปอ่านไปแต่ละประสูคนะอย่างเงี้ยณนะขณะจิตหนึ่งที่เขาเข้าใจปึ๊บคลิกเดียวบรรลุธทำได้เพราะการบรรลุรมไม่ต้องการเวลามากขณะจิตเดียวเท่านั้นพระเจ้าจึงบอกต้องได้ยินได้ฟังคำพระเจ้าน่ ะ, นะแล้วให้อยู่กับลมหายใจไว้อยู่กับลมไปเรื่อยๆเท่านี้ก่อนละ ประเด็ ER <S <S ปัญหาคือเขาฟังธรรมแล้วเขาเข้าใจไหมถ้าเขาไปฟังธรรมภาษาที่เบสภาษาญี่ปุ่นภาษานุภาษานี้แต่ไม่เข้าใจจะไม่ได้อา น, นิสงส์ของการฟังธรรมเพราะการฟังธรรมที่เป็นไปเพื่อวิมุตินั้นจะต้องหนึ่งเป็นคําพูดเจ้าต้องเข้าใจเกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมัน่นนี้เป็นไปเพื่อวิมุตได้การแสดงธรรมก็เป็นไปเพื่อวิมุตได้การฟังธรรมก็เป็นไปเพื่อวิมุติได้การสาธยายธรรม หรือที่เรียกว่าสวดมนต์เนี่ยก็เป็นไปเพื่อวิมุตได้การคิดตรกตรึกในธรรมค่ควรทำการเข้าชานหนึ่งสนี่คือผลทางเข้าสู่วิมุตห์5ประการนะแต่ทั้งหมดต้องมาจาก5อาการคือ1ต้องเป็นคำพู้เจ้าเข้าใจเกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมัน่นนะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการบทสวด น, นะขอให้เข้าใจด้วยเพรา ะ, ะนั้นถ้าภาษาไทยคือต้องสวดแปลนะแล้วเราจะ ได้ความเข้าใจจากบทแปลนั้นจะทำให้เราเกิดวิติจากความเข้าใจนะนั้นก็ขอให้เป็นคำผู้ชเช่าขอแล้วกันนะการสะทยายธรรมการฟังทำล้วนเป็นเหตุให้เข้าสู่วิมุตได้ทั้งสิ้น การทีจิตมีความสุขและจิตเบิ่บ้านเนี่ยมีจากหลายสาเหตุพระุทธเจ้าจะแบ่งเป็นกลุ่มที่ยิงอามิสกับไม่ยิงอามิตรและก็ไม่ยิงอามิสยิ่งกว่าไม่ยิงอามิตรก็คืออันสุดท้ายคือในบิดมุนนั้นอิงอามิตรหมายถึงสุขและปิติอันเกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่เรียกว่าอิงอามิตรแต่ถ้าไม่อิงอามิตรคือสุขอันเกิดจากวิเวกสุขอันเกิดจากการละอภิสมิตกทั้งหลายได้คือการไปบาดเปลี่ยนหรือการละนิวร น, นาได้ นี้เรียกว่าสุขหรือปิติที่ไม่อิงอามิตรมันเป็นสุขที่ละเอียดกว่าปราณีตกว่าควรเสพให้มากทําให้มากเจริญมากและไม่ควรกลัวแต่สุขอันเกิดจากอามิตรนั้นะเป็นสุขที่ควรกลัวไม่ควรทํามากเจริญมากพระองค์แยกประเภทของความสุขนี้ไว้และสุขใดๆก็ตามนั้นเวทนาสุขเนี่ยมันอยู่ในเวทนากาันซึ่งมีเวทนากานมีสามอาการสุขทุกอุเบกขานะ นั้นเวทนาใดๆเวทนานั้นถึงการประชุมลงในความทุกข์คือเดินไปสู่ความดับทั้งหมดความทุกข์ก็เดินไปสู่ความทุกข์คือเดินไปสู่ความดับความสุขก็เดินไปสู่ความดบอุเบกหาก็เดินไปสู่ความดำเพราะฉะนั้นเวลาจิตของเรามีความรู้สึกสุขหรือทุกข์ขึ้นมาแล้วให้เราเข้าไปสังเกตถึงความดบไปของอารมณ์นั้นนั่นคือเรากาลังตามเห็นนิโรธหรือตามเห็นอาินวะโทษของมัน ว่ามันเป็นของไม่จรลังที่สุดแล้วมันก็มีความดับไปเป็นธรรมดาอย่างนี้ถ้าใครเห็นมากเห็นบ่อยตรงนี้ได้ความเป็นอริบุคคลเหมือนกันใครละความเพลินในสุขได้เรียกว่าละราคานุสัยได้ใครละความเพลินในทุกเวทนาได้เรียกว่าละปฏิทานุสัยได้ละสองตัวนี้ได้ได้เป็นอนาคาบุคคลใครละความเพลินในอุเบกขาได้เห็นอุเบกขาเกิดดับละอวิชานุสัยได้ได้เป็นพระลาน จากเวทนาอย่างเดียวเวทนาสามก็หลุดพ้นได้เป็นอย่างนี้อย่างที่อาจารย์บอกมาเนี่ยคือแนววางที่ชุดจิตเหยียบมันจะไปไหวมากถ้าหากบทีว่ามาถึงจุดนับถือบางทีว่าจะมีจุดโรบาอย่างไงแบบที่อาจารย์บอกคือจับใช่ไหมมันมีบางครั้มันก็ป้องกันป้อกันป้องก ก็คือพยายามรู้ลมหายใจให้มากเข้าไว์อานาปานาสตินะกลับมาที่ลมหายใจอย่างเดียวพระองค์บอกว่าเราไม่กล่าวอนาปานาสติว่าเป็นสิ่งที่มีได้แก่ผู้มีสติอันลึกลงไม่มีสัมปชัญญะนั้นอนาปาคือลมหายใจเนี่ยนะพระองค์ไม่กล่าวว่ามีได้แก่ผู้มีสติอันลึกลงแ ส, ญญสแดงว่าถ้าโยามรู้ลมหายใจขณะนั้นคือมีสติสัมปชัญญะรู้ลมเข้าไว้ และขนาดนั้นคือเรากำลังปารจความเพียรเผาพิเรนนะมีสติสัมปชัญญะแล้วนะนำอภิชาและโทมนัตในโลกออกเสียได้ความพอใจไม่พอใจในโลกออกได้ลกลับมารู้ลมบ่อยๆเป็นธรรมชาติที่จิตจะเคลื่อนออกไปเพราะวิญญาณขันเกิดดับตลอดพุ <c oughs> ทธเจ้าบอกว่าสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมนโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืน มันจิตเกิดดับตลอดสัตว์ทั้งหลายไม่ได้ตามความปรารถนาของวิญญาณว่าวิญญาณจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าเป็นอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นโยมก็ไม่ได้ตามความปรารถนาของวิญญาณวิญญาณอย่าดับไปเลยอย่าไปฟุ้งสิอย่าไปอย่างนี้สิเราบังคับผลไม่ให้ตกไม่ได้บังคับแดดไม่ออกก็ไม่ได้มันก็เป็นธรรมชาติปั่นฉะนั้นเวลาวิญญาณเกิดดับโยมต้องเห็นด้วยปัญญาว่าวิญญาณไม่ใช่เรามันเกิดดับตามภาษาของมัน หน้าที่เราคือรู้ลมหายใจเข้าไว้เอาวิญญาณมารู้หลมเข้าไว้ต่อไปเราก็จะเห็นกระบวนการทํางานของธรรมชาตินี้ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเรื่อยๆทีเล็กทีๆๆน้อยนั้นตั้งไว้ซึ่งกายกากกกายักตาสติพิโลกายยักตาสติอันชนเราใดหลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนนั้นหลงลืมถ้าโยมลืมเอาจิตอยู่กายโยกนนําลังลืมอมตะคือนิพพานผู้ใดบริโภคกายยักตาสติผู้นั้นชื่อว่าบริโภคอมตะ ถ้าโยงกับกายเอาจิตมาอยู่กับกายบริโภคลมหายใจเรากำลังได้อมตักได้นิพพานและเรากำลังทำความเพียรเผากิเลสถูกต้องแล้วไม่มีผิดนั่นคือเรานึกถึงลงเลยเลยนึกถึงลงนึกถึงลงแค่นั้นเองทมแค่นี้นะฮะสมมติมุตเนี่ยแต่เราสมมแค่ผมคิดว่าสุขทุกข์เนี่ย เสมเ uh huh. สมติเนแบบนี้ะแล้วเขวิมุตติเนี่ยเข้าไปจะมมุตติแบบไหอ๋อคือสมมุติกับวิมุตติเนี่ยต้องแยกกันด้วยคุณสมบัตินะคุณสมบัติมันต่างกันไม่ว่าจะเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นสัญญาสังขารเป็นรูปเป็นวิญญาณก็ตามคุณสมบัติมันจะมีสามอันคืออุ ป, ปาโทปัญญายติมีการเกิดปรากฏสองวโยปัญญายติมีการเสื่อมปรากฏ สามทิฏฐสังยะตตังปัญญายติเมื่อมันตั้งอยู่ก็มีภาวะอย่างหนึ่งปรากฏดูก้อนน้าแข็งมันตั้งอยู่เฉยเฉมันก็ละลายเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นทุกสิ่งในโลกธาตุมีการเปลี่ยนแปลงตลอดไม่มีการอยู่นิ่งนะเสืิไปทุกอนุทิรอนุสองอนุเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอด น, นี่คือกฎของสังขตรลักษณะระบบโลกธาตุ น, นี้ทั้งหมดเนี่ยพรหมโลกเทวโลกมนุษย์โลกนรกกัม ย, กยเดชฌานเปรีวิสัย ตกอยู่ภายใต้กฎสามข้อนี้หมดเลยคือสังขตานลักษณะเกิดปรากฏเสื่อมและเสื่อมเรื่อยๆนะวิมุตเป็นยังไงวิมุตจะมีสาลักษณะเหมือนกันณอุปาโทปัญ ญ, ญายติไม่ปรากฏมีการเกิดสภาวะนั้นไม่เกิดณวยโยปัญ ญ, ญายติไม่ปรากฏมีการเสื่อมอันที่สามณทิตฐะอันยตตังปัญญายติเมื่อมันตั้งอยู่เนี่ยมันไม่มีภาวะอย่างปรากฏมันนิ่งสนิท แต่มันรู้ได้ทุกเรื่องนะนั้นนิพพานเนี่ยเป็นสภาวะที่มีอยู่แต่ความมีของมันเกิดไม่ปรากฏนั่นเองจึงไม่สามารถไปบรรยายลูกพันธ์สันฐานของนิพพานได้เพราะการที่เราจะบรรยายลูกพันพุ์สันฐานของอะไรหรืออธิบายหรือบรรยายอะไรขึ้นมาได้นั้นจะต้องบรรยายภายใต้เกิดปรากฏจะเรียกหนังสือก็ต้องมีหนังสือให้เห็นจะเรียกฝุ่นก็ต้องมีฝุ่นให้เห็น จะเรียกอะตอมก็มีอะตอมโปรมันนิดนึงให้เห็นเกิดต้องปรากฏซะก่อนถึงจะบัญญัติอะไรได้แต่นิพพานเกิดไม่ปรากฏเลยบัญญัติไม่ไดนะ้นั้นการบัญญัติ น, นิพพานของพระเจ้าจึงบัญญัติภายใต้ใตกฎของสังกตัว่าดินน้ําไปลงไม่มีนะไม่มีกว้างยาวเล็กสั้นใหญ่อย่างในพระสูตรที่พระองค์บอกว่าสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่ ง, ง, ง, งบุคคลพึงรู้แจ้งเป็นสิ่งที่ไม่มีปรากฏการ ไม่มีที่สุดแต่มีทางปฏิบัติเข้ามาถึงได้โดยรอบนั้นมีอยู่ในสิ่งนั้นเนี่ยไม่มีดินน้ําไปลงคือดินน้ําไปลงเนี่ยไม่อาจหย่างลงได้ในที่นั้นในสิ่งนั้นเนี่ยไม่มีความกว้างยาวเล็กซ้้นใหญ่งามไม่งามไม่มีมิติเลยบอกไม่ได้ไม่สามารถอธิบายตรงนั้นได้นะในสิ่งนั้นเนี่ยนามรูปดับสนิทไม่มีเหลือนามรูปดับสนิทในสิ่งนี้เพราะการดับสนิทของวิญญาณ น, นั้นรูปนามขันห้าต้องดับสนิทจึงจะเป็นวิมุตติได้อย่างเนี้ย มิมุตินิพพานอันเดียวกันนะมิมุติเป็นชื่อแทนนิพพานอีกอันนึ่งนะนั้นที่เขาบอกนิพพานเป็นอัตตาหรืออนัตตาอย่างนี้อันนี้ไปกันคนละเรื่องนีกนั้นะนิพพานเป็นอัตตาก็ไม่ได้เพราะการบัญญัติอัตตานั้นผู้เจ้าจัดไปเลยว่าบัญญัติภายใต้การเกิดปรากฏต้องมีเกิดโผล่ขึ้นมาก่อนจึงจะบัญญัติอัตตาหรือตัวตนหรือเรียกอะไรขึ้นมาได้นะแต่นิพพานเกิดไม่ปรากฏ บัญญัติไม่ได้ส่วนการบัญญัตินิพพานเป็นอนัตตานั้นก็ไม่มีในพุทธวิชชาผู้เจ้าผู้เจ้ตรัสเป็นร้อยก็สูุดว่าลูกเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตาเตทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาไม่เคยตรัสว่านิพพานเป็นอนัตตานะอนัตตามาจากอะไรสิ่งใดเป็นทุกขสิ่งนั้นเป็นอนัตตานะเพราะฉะนั้นสิ่งที่แตกสลายได้สิ่งนั้นเป็นอนัตตา นิพพานเป็นทุกข์ไหมนิพพานไม่เป็นทุกข์และนิพพานไม่แตกสลายนิพพานจะเป็นอนัตตาได้อย่างไรนะเราต้องไปดูเหตุปัจจัยของคําว่าอนัตตาเพราะองค์ถามว่าลูกเที่ยงไหมลูกไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ใช่ไหมสาวกบอกใช่สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาใช่ไหมสาวกบอกใช่สิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นนั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานะจะเกิดปัญญาตรงนี้ ว่ามันกับเราไม่ใช่ตัวเดียวกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นนิพพานไม่ใช่อนัตตาแต่นิพพานเป็นอะไรต้องอธิบายโดยคุณสมบัติที่พรุทธเจ้าตรัสไว้ไแล้วคือเกิดไม่ปรากฏเสื่อมไม่มีและไม่มีการเสรื่อมไปเลยนะดับไม่ต้องพูดถึงเพราะถ้าเกิดไม่มีดับมีไม่ได้แน่นอนอย่างนี้เหมือนแก้วไปเนี้ยมันแตกเพราะอะไรเพราะว่ามันเกิดมาเป็นแก้วแล้วถ้าไม่มีแก้ว แก้วจะไม่แตกถ้ามีแก้วแก้วแตกแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึง่งคือเกิดปรากฏนั่นเองเพระองค์จึงให้ดับการเกิดเนี่ยเพราะเกิดเป็นเหตุนําไปสู่แก่และตายนั่นเองนั้นเหตุปัจจัยของคําพูดว่าอนัตตาเนี่ยมาจากเกิดปรากฏนะจึงมีเสื่อมจึงมีดับจึงมีอนัตตาแต่นิพพานเกิดไม่มีเสื่อมจึงไม่มี ดับจรงไม่มีอนัตตามีไม่ได้นัเพราะฉะนั้นเมื่อเขาไม่ได้ใช้พุทธวจนะปั๊บเนี่ยการพูดออกมามันจะผิดจากผู้เจ้าไป็หมดเป็นอย่างนี้เช่นครับก็อาจจะเป็นอีกทักษะคำถามหรือของคำถามแลกันนะครับแลเดี๋ยววันนั้นจะขอตัวแทนทางการกาวของคนพิจารณาผมอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าอะไรชื่อว่ากาเมมุชาจัน ขอภารุภาพปรีนะครับผมเคยได้ยินได้ฟังคำนอนจากราวลาวที่เผยแพร่พขาว็ยานาว่าถ้าภรรยาหลวงอนุญาตเนี่ยสามารถมีภรรยาได้คนยังไไม่ผิดแล้วก็สมมติว่าพระสาจะไปดูงานภะาอย่างเงี้ยครับเผื่อเจอไปฆ่าฆ่าภารุภาพปรีท่านใดเข้าเนี่ยจะถือว่าเป็นดาวเองไหครับ อ๋อเราไปดูสินห้าในประกมันเราไปดูที่พระเจ้าบัญญัติสินห้าในข้อที่สามน ะ, ะ <c oughs> นั้นสินห้าในข้อที่สามเนี่ย มิชาจนาเวรมณีเธอนั้นลักการประพฤติผิดในการมเว้นขาดจากการประพฤติผิดในการมคือผิดในการมในหญิงซึ่งมารดารักษาบิดารักษาวันนั้นไปศาลเนี่ยเขามีคนรักษาเขาไหมนะพี่ชายพี่น้องชายพี่น้องหญิงหรือญาติา ร, รักษาอันทารักษาพวกรักษาศีลเนี่ย หญิงมีสามีหญิงอยู่ในสินใหมโดยที่สุดแม้หญิงอันเขามั่นไว้นะคือการคล้องด้วยพวงมาลัยแต่ก่อนไม่เป็นผู้ประพฤติผิดจารีตในรูปแบบเหล่านั้นนี่คือข้อที่สามที่พระองค์บัญญัติไว้นะเป็นอย่างนี้นั้นถ้าภรรยาอนุญาตก็ต้องไปถามฝ่ายโน้นว่ามีใครรักษาคุ้มครองเขาอยู่หรือเปล่าอีกขั้นหนึ่งถึงจะพ้นอยากกรรมีได้ ได้ถึงบอกต้องแตกโสดาบันไงเพราะถ้าโสดาบันได้แล้วเนี่ยเกิดอีกไม่เกินเจชาติได้เป็นพระรหลานแน่นอนผู้เจ้าประกันว่าโสดาบันไม่มีความตกต่ำท่านี้เรามาดูคุณสมบัติโสดาบันว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรในเพศขลารวมคุณสมบัติอย่างหนึ่งของโสดาบันคือการมีสินห้าบริบูรณ์อย่างที่สองคือมีความเรื่มใสอันอย่างลงมั่น ไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยอย่างนี้นั้นแค่ก็มีสินห้าบริบูรณ์และเพืาอมั่นคงในพระรัตนตรยัยผู้นั้นหวังจะพยากรณ์ก็ให้พยากรณตนและตนนั้นว่าเป็นพระโสดาบันแล้วท่านี้ความไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยมันมีความลึกซึ้งนะเช่นอะไรผู้เจ้าจะลงรายละเลอียดว่าการไม่กระทําซึ่งวัตโกตัวละมงคลมงคลภายนอกของสมณครามเหล่าอื่นยังไม่เชื่อแล้วว่าบูชาไฟามันจะได้ผล ไปบูชาฝ่ายไม่ทำและเลิกแล้วไม่เห็นประโยชน์ของการกระทำเหล่านั้นนะในการพุทธการจะมีพิธีกรรมมากมายเช่นลาดพื้นดินด้วยน้ำโคลมัยสดนะอุตสาสีเขียวเดินลงสู่แม่น้ำในเวลาเช้าประงวันเย็นแล้วบอกกรรมจะหมดนะจะเกิดมงคลโสรบันไม่ทำแล้วจิตจะไม่เบาเหมือนปุยนุ่นคนที่ตามกว่โาโสรบันเนี่ยพระเจ้าบอกจิตเบาเหมือนปุยนุ่น ลมพัดไปซ้ายก็ปลือไปซ้ายลมพัดไปขวาก็ปลือไปขวาใครสะ ก, กิดไปสดอข้อก็ฉันก็ไปไปดูหมอฉันก็ไปการดูหมอคืออะไรคือการยังมีปุกพันตานุทิธิอปรันตานุทิธิความเห็นปารบขันในเบื้องต้นคืออยากรู้อดีตความเห็นปาลารบขันในเบื้องปลายคืออยากรู้อนาคตโสดาบันไม่อยากรู้แล้วเพราะโสดาบันเห็นว่าอนาคตจะเกิดขึ้นก็ตามหรืออดีตที่ผ่านมาแล้วก็ตามก็ล้วนเป็นขันห้าทั้งสิน้น และขันห้าอันเป็นปัจจุบันก็กําลังถ่ายถอนความยึดมั่นอยู่จะไปสนใจอะไรกับขันห้าเป็นอดีตหรือขันห้าเป็นอนาคตนั้นโสดาบันจะมองเรื่องนี้เป็นเรื่องไร้สาระนี่คือตัววัตะโกตูลมงคลนั้นความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันอย่างลงมั่นเนี่ยไม่ใช่หมูเหมือนกันนะนั้นถ้าโยมตัดเรื่องพวกนี้ขาดได้ออกจากใจเนี่ยฟันธงได้เลยว่าเราเป็นโสดาบันแล้วอย่างนี้แล้วเราก็สามารถเป็นในเพศฆราวาสได้ด้วยนะ หรือที่บอกว่าบุคคลใดมีความเชื่อมีจิตน้อมไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงบุคคลนั้นชื่อว่าสัตทานุสาลีเป็นโสดาบันติมัตนะิหรือตาหูจมูกลิ้นกายใจทนเพ่งโดดประมาณนั้นยิ่งด้วยปัญญาของบุคคลใดบุคคลนั้นชื่อว่าธรรมานุสาลีนี่ก็โสดาบานันะนั้นไม่ได้บอกเลยว่าบรรพชิตหรือสารวาัตรเป็นได้ทั้งหมดตัวคุณสมบัติของความเป็นพระโสดาบานันนะ อยู่ที่การกระทําทางกายวาจาใจนะไม่ไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องแบบนะจะเป็นคารวะหรือเป็นนักบวชก็ไดนะ้เป็นอย่างนี้ที่ว่าเมื่อตอนที่คุณอยู่ในพระไตรปิไหมครับว่า อ่าะอมันจะเป็นหรือเป็นบยอะไรกันการสวดมนต์เนี่ยผู้เจ้าตัดไปแล้วไงว่าเลยต้องถามว่าบทสวดของเราคืออะไรอย่าง น, โ ม, างนโมก็เป็นคำที่ผู้เจ้าตัดเอาไว้อยู่แล้วก็เป็นคำที่นางฟ ร, รมมันีเนี่ยสันเสริญผู้เจ้านะอรหังสัมมาสัมพุโทโธนะ นะโมพวกนี้มีเทวดากล่าวมีลายกล่าวนะแล้วก็เรื่องของการสวดมนต์เนี่ยก็อย่างที่บอกพระองค์ตรัสไว้ในเจ็ดพสูตรว่าประโยชน์ของการสาธยายธรรมว่าเป็นอย่างไรบา้างนะเพื่อความตั้งมั่นของพระสัตธรรมเป็นเครื่องให้ถึงวิมุติเป็นอาหารของความเป็นผู้สูตร เ, เป็นองค์ป <c oughs> ระกอบของความ <c oughs> เป็นบริษัทที่เป็นบริการของจิตเพื่อความไม่มีเวน้นไม่เบียดเบียนเป็นเหตุได้รับความมุ่งได้ นี่คือประยยศญาสัจยายคาสัสดาไม่ใช่สัจยายคาที่แต่งใหม่นั้นต้องดูว่าคาที่เราสวดเป็นคาแต่งใหม่หรือเปล่ามาสวดบาลีโดยไม่สวดไทยนะฮะสวดบาลีไม่สวดไทยเราก็จะไม่ได้ความเข้าใจเมื่อไม่ได้ความเข้าใจก็ไม่เกิดปิติองค์ของการสวดมนต์จะต้องมี5คือหนึ่งคำพเจ้าเข้าใจเกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมัน่น ถึงจะได้นี่สมครบเพรัะนั้นะพอต่างภาษาปุ๊บเนี่ยเราไม่เข้าใจอย่างให้เราท่องปานาติป า, าตายเวลามนันนีแล้วเราไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเราก็ยังฆ่าสัตว์ตลอดการให้เกิดขนะึ้นมานะถ้ามีการเจริญพันธุ์เนี่ยอย่าลืมต้องการบุตรอ่าข้าวส่วนนะครับเรา จริงๆ เ, เรื่องพิธีกรรมเหล่านี้เนี่ยในในครั้งพูเจ้าเนี่ยไม่มีนะการการเข้าสู่บ้านเนี่ยผู้เจ้าทำอะไรการเข้าสู่บ้านเนี่ยหนึ่งผู้เจ้าไปฉันคือเขาดิมนไปฉันอนุโมทนาจะบอกเหตุปัจจัยของการกระทาตรงนั้นว่าได้ผลอะไรมีนิสัยอะไรและแสดงธรรมคือให้ทำมากระทำสามอย่าง น, น, นะนี้นะเพราะนั้น อนิสงค์ของนักบวชผู้มีศีลผู้เข้าไปสู่บ้านเรือนของผู้ใดนะการเลื่อมใสจะได้อนิสงค์ห้าอย่างการเลื่อมใสในนักบวชผู้มีศีลผู้เข้าไปสู่บ้านเรือนของผู้ใดนั้นเป็นไปเพื่อสุติโลกสวรรค์นั้นถ้าเรานิมนต์พระมาบ้านเรามีความเลื่อมใสท่านนั่นเป็นอารมณ์ของสุติโลกสวรรค์อย่างที่สองการลุกลับกราบไหว้ให้อาสนะย่อมเป็นไปเพื่อการเกิดในตระกูลที่สูงนี่คือข้อที่2 ข้อที่สนะการลักความตรณีอันเป็นมณฑินในนักบวชผู้มีศีลผู้เข้าไปสู่บ้านเรือนของผู้ใดนั้นเป็นไปเพื่อการได้เกียรติศักด์อันใหญ่นะการจําแนกแจกทานตามสติกําลังในนักบวชผู้มีศีลเป็นไปเพื่อการได้โภคานใหญ่และการได้ฟังธรรมในนักบวชผู้มีศีลอย่อมเป็นไปเพื่อการได้ปัญญาอันใหญ่นะนี่คือนิสง่าเพราะฉะนั้นเรายิงตรงอย่างนี้เลยเพราะนั้นถ้า พระภิกษุกระทำอย่างที่ผู้เจ้าบอกก็ไม่มีอะไรเข้าไปบ้านปับ๊บฉันฉันปุ๊มอนุโมทนาแล้วก็ให้ทาํามะก็จบแล้วและก็คือผู้ภาษาที่ชาวเมืองเขารู้เรื่องอ ญาติายาโยมไม่บาปอ๋อญาติโยมไม่บาปหรอกแต่พระน่ะผิดเราไปดูสินที่บัญญัติก่อนปฏิโมะนะผู้เจ้าห้ามพระทําหมดเลยพวกนี้พวกเจิมปลุกเสกเล็กยันดูหมอดูแล่นกิวยามเราไปดูตรงนี้อีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพรามณ์บางพวกชั้นโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วเนียเขาถวายอาหารเราด้วยศรัทธาแต่ท่านเหล่านั้นเนี่ยยังสําเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิด เพราะทำเลราชานวิชาเห็นปันนั้นอยู่ผู้เจ้ามันมองมองว่าเป็นมันเป็นวิชาต่านะคืออะไรบ้างคือทายลักษณะในร่างกายบ้างทายนิมิตลางดีลางร้ายนะทำนายของตกทำนายฝันทายชะตานะทำพิธีเบิกแว่นเวียนเทียนซัดโปรยแก่โพยลำโปรยเข้าสารจุดไฟบูชาเสกเป่าพิธีพีด้วยโลหิตเป็นหมอดูอวัยวะร่างกายหมอดูภูมที่ตั้งบ้านเรือน ดูลักษณะไล่นาเป็นหมอปลุกเสกหมอผีหมอทำยันต์การบ้านเรือนโอ้โหเยอะเลยส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้นะเธอเว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิดเว้นขาดเลยเพราะทำเอกสารวิชาเห็นปันนั้นเสร็จแล้วแม้นี้ก็เป็นสินของเธอประการหนึ่งตัดไว้ถึงเก้าพูตัดซ้ำกันกับมหาราชาบ้างกับราชภูมารบ้างนะเพราะฉะนั้นพระต้องเลิกเลิกทาเรื่องเหล่านี้นะ ทำไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าบอกภิกษุในธรรมวินัยนี้เขาไม่มีทรรกันน ะ, นะเป็นสมณนสักยะปุตติยะนี่แหละพระุทธเจ้าบอกกว่าเศรษฐากับพาราตวาชะถ้าเขาถามว่าเธอเป็นใครให้เธอตอบว่าเราเป็นสมณะาสักยะกปุตติยะกปุตติยะคือบุตรนะสมณะคือนัก บ, บวชรสักยะก็คือตระกูลของพุทธเจ้านะเราเป็นบุตรของพระผู้มีพระภาคเจ้าสมณะในสักยัตระกูลนั่นเองนะ เนี่ยเราทั้งหลายเป็นสมณะสักยปุตตะเมื่อถูกถามว่าพวกท่านเป็นใครเพราะพวกเธอแลมีชาติต่างกันนามต่างกันมีโคตต่างกันมีสกุลต่างกันพอควรจะเปรือนเป็นผู้ไม่หวังเกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วนะเมื่อถูกถามว่าเป็นใครต้องตอบอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระทุกรูปเนี่ยเป็นบุตรของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาจารย์คนเดียวกันนะแล้วเราจะไม่มีข้อปฏิบัติที่ต่างกันพระไม่มีสายไม่มีนิกายถ้าเราถือธรรมวินัยเดียวกันพระจะเข้ากันได้ทั้งหมด จะไม่มีความแตกต่างนะนี่โยมถ้านิมนพระมาต่างวัดกันอะมีพระฉันในวงอันนี้ฉันในบาทอันนี้ฉันเพนอันนี้เพนไม่ฉันนนี้ฉันมืดเดียวโอ้โหงงเลยจะทํำยังไงนะสับสนไปหมดนะเพราะว่าไม่ได้ถือตามผู้เจ้าเพนน์เองหลักมันง่ายนิดเดียวทุกคนยอมผู้เจนะ้าน่ยถ้ายอมเนี่ยจบเลยนะยอมผู้เจ้าคนเดียวเดินตามพระองค์ท่านแล้วาศาสนาเราจะมั่นคงมากนะ่ะจะดำรงอยู่ได้นาน เป็นอย่างนี้พอได้หรควครับนบนี้คงยาไม่เสียวรานๆครับหลายคนคงจะมีความเข้าใจว่ า, าที่นเนิดเกี่ยวกับผรับผนะู้อับสนามเว่าเียวเวร์ซิ่ของเรามีก็สิ่งที่เรียกว่าไอเฟิลเวอร์ซิ่งเยอะมากคือฝากั้นเดอาจจะจะข อ, เ, ะขอเชิญผนะู้ชายที่ฝากเก่า ่านนี้ผอแกอาจารยปอาจารย์ทีมผมมีรู่นดขั้นนะครับเคยเคยได้สึกษาธราตในภาษาผผมินยันว่างผมเป็นรุ่นน้องท่านด้วยแล้วก็เป็นมีเลยทุกการตังคาในองค์กาด้วยนครับแล้วก็ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยพวกเราคงคงได้เห็นแล้วว่าการเข้าใจหลักเพื่อนราเนี่ย ทามขาหลาคนคงเข้ที่ไม่อตรงเาไรแต่วันนี้ท่าน้าได้ได้ตาความที่จะปฏิบัตเป็นอุกรอุกรให้พวกเราครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยทางสวินะครับที่ปฏิบัติธรรมของวเราทคนมมากขึ้นนะรัผมโดยผมวตัวผมเองเนี่ยจริงๆนีต้องต้องเรียนว่าเราเื่องท่านอย่เนะครับาท่านเป็นท่านเป็นทานเป็นผู้ชาและเป็นอดีตผู้ชาแล้วเป็นครูเป็นอาจารย์นงผมนะ เาก็ตอเป็นผู้ที่เปิดทางใเหนนะครับผมคิดว่าในโอกาสกรีก็คงจะไม่รใจกล่าวได้ไหนอกจากว่าถือว่าเป็นอุปนที่ได้าจได้ทุน้ำได้มาายทาใ้เราก็อาเป็นโอกาสดีแล้วต้องไปถามที่ราได้เทานสของทุนนาต่อไปนะครับในโอกาสที่ก็เราะรได้รับานาต่กางันก็อก่อนมรากับพวกเราทุกคนที่ได้จัด การอบรมในครั้นนี้นะเพื่อให้พวกเราเป็นผู้ที่ได้สดับในคําของพระสถาคตนะก็ขอให้เหตุปัจจัยนี้จงเป็นเหตุปัจจัยให้พวกเราเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตคิดศทางสิ่งใดให้สําเร็จสมความพัฒนาเป็นผู้ที่ฉลาดและเจริญในธรรมของพระสถาคตที่สุดขอยได้ดวงตาเห็นธรรมสําเร็จมรรคผลนิพพานในนรพุทตการหลังใกล้โดยโุกหนาการทุกทา่านทุกคนเถิด